39ครั้งแรกคริสติน่ายังมองไม่เห็นอะไรมากไปกว่ากลุ่มพวกท้องที่เขา้าเปียลุมล้อมล่างอันนอนเหยียดยาของคนเจ็บและบางมิดหมดพร้อมทางอาการส่งเสียงเรียกนามเขาแท่รอนเพนเข้าไปทันทีก็เห็นแซนลี่กําลังประคองต้นขอพลานใหญ่ขึ้นดวงตางของคนเจ็บยังหลับแต่แขนขาเริ่มกระตุกเคลื่อนไหวไปมาโดยเฉพาะที่หน้าท้องอันแบนราบนั้นมีอาการเคยย่อนเป็นละลอกคลื่นสมไปกับอาการสะอึก ได้มีเสียงคลืดคราดในลําคอกอดเขากําลังชักเสียงเบลแล้มกล้องวู you shut ดอยู่ชัดอัพบิสต์ดวูดตะวาดลั่นแทบจะตกแม่ผมแดงความไปกับมือในอาการร้องที่ดูเหมือนแช่งนะั้นคนชลมุมน์จ้องดูคนเจ็บยันตะลึงในขณะที่คริสก็สแจ้กายพ ร, รวดเข้ามาอีกคนหนึ่งประพินพลายวันมีอาการขยักขย้ขยอนซึ่งดูผัดผ่านเหมือนชักกระตุกจุดอื่นใหญ่ต่อมา ท, ท, ทั้งที่ยังหลับตาอยู่เช่นนั้นเขาก็พยายามงูเงียนลุกขึ้นมานั่งสแตนดี้รีบประคองให้ทรงกายนั่งทันที คานใหญ่มือสายกวาดไปปะไปมาใคล้ยๆจะผลักบุคคลที่รุมจับตัวเขาไว้โดยรอบขณะนี้ออกไปแต่ก็ไม่มีใครยอมปล่อยในตัวเขาต่างช่วยกันประคองจับไว้รอบด้านลมหายใจอันเคยแผวเบาของเขาชนิดเอาสำลีรนอยู่ตรงช่องจมูกเพื่อทดลองดูแทบไม่กระดิกบัดนี้กลายเป็นหายใจหอบแรงหืดทัดบุญครามพร้อมทั้งสมุนอีก3คนก็ห่อเข้ามาถึงเร็วในห้างนายดพินกำลังจะเจียนออกมาแล้วช่วยกันประคองไปที่ก้อนหินนั่นแย่ร้องบอกลั่น และจะไม่เข้าใจอะไรนะักแต่ทุกคนก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของตราพานเท่าทันทีชวนวุฒถลันเข้าประคองปีกด้านหนึ่งในขณะที่แซนดี้ก็เข้าประคองอีกด้านหนึ่งลากเอาร่างที่กําลังมีอาการพราอืดพะอมขยักขย่อนของระพินตรงไปที่ก้อนหินเจีย๊ยดยทางด้านปลายเท้าซึ่งไม่ห่างออกไปนะักบุญคาวิ่งตามมาด้วยชีบบอกให้อาตรพาพันใหญ่คว่าหน้าเอาส่วนลิ้นปี่ค่อมทับกับแง่หินร่างกายท่อนบนของเขาชงโงกล้ําไปยังด้านหลังของก้อนหินนั้น เข พ, พาดล่างความหน้าลงกับก้อนหินเท่านั้นจอมพรานก็ออเจียนพรวดฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนแทบผงาะของเหลวสีแดงคล้ำจางบ้างค้นบ้างพุ่งพรวดพวดออกมาจากปากเขาครั้นแล้วครั้งเล่าและนั่นคือโรหิตชัดๆเกิดกระโดดเข้าไปรูปหลังนายจ้างยิกยิกเสยก็เขย่าเกรยก็ขย่าวดให้ที่ต้นคอและสะบักส่วนบุญคำยืนคุมอยู่ด้านหลังหับตาพนมมือบริกรรมนิ่ง ในขณะที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนยืนตะลึงงนันกระพินทรงเสียงโอ้อาเจียนอยู่เป็นระยะและครางอย่างเหนื่อยหอบทีษะของเขาพงงกขึ้นหายใจฟืดฟัดและหน้าอันซีดเขียวคล้ำบัด น, นี้แดงกรำเพราะอาการสำลอกเส้นเลือดที่ขมับขึ้นโปนจันโดดเข้าไปที่นอนเดิมของเขาคว้าได้ผ้าขนหนูที่คริสเคยชุบน้ำร้อนเช็ดตัวนำมาเช็ดริมฝีปากที่ห้าหอบของนายจ้างจึงเลอะเทอะไปด้วยน้ำลายปนเลือด การผสมพยาบาลกันในระยะนี้เป็นเรื่องของพวกทีมพลานพื้นเมืองลูกน้องของคนเจ็บเองล้วนฝ่ายนายจ้างทุกคนได้จะยืนมองอ้าปากค้างยังไม่สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือใดใดไ ด, ได้ทั้งสิ้นมาลุมมาตุ้มกันตีบนวดรูปหลังและคนเจ็บก็โกงคออาเจียนจนไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเสียงเขาครางอย่างเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงพื้นบริเวณหลังก้อนหินที่มานอนคว่ำหน้าอาเจียนอยู่นั้นแดงเถือกไปหมดรงกลิ่นคล า, าวค่าวคลุ้ง ปริมาณของมันที่พุ่งออกมาทั้งหมดด้ลักษณะที่คนจะเรียกว่าสํารอกนั้นถ้าใส่กระโถนปากแต่ก็เกือบจะสองกระโถนเสือมห้านาทีเต็มๆที่ระพินอาเจียนเป็นระยะระยะค่างออกไปเป็นลําดับมือทั้งสองของเขาจับที่ขอบก้อนหินอันมานอนทับพังภาคอยู่นั้นเกร็งแน่นอีกสี่ห้าหนที่เขาโกงคออาเจียนจนไม่มีอะไรจะออกมาอีกนอกจากเสียงลมแล้วก็รูดตัวลงไปทําท่าจะกองอยู่กับพื้นในลักษณะจ้าเบ้า เกิดกับเสือที่รูปหลังอยู่ยิก้ๆก็เข้าหิ้วทำด้านศีรษะมีอาการเหมือนจะช่วยกันอุ้มกลับไปนอนที่เดิมคีดกระโดดเข้าช่วยรวบทำด้านปลายเท้ายิ้กันร่องแรงนําพรานใหญ่มานอนตรงที่เดิมทั้งหมดก็พลู ก, กันตามเข้ามาตรงตําแหน่งนั้นอีกครั้งรวมทั้งพวกลูกหาบและกรเรียงตะเคียนทองนับสิบๆที่เฝ้ารอคอยดูอาการด้วยความเป็นห่วงเสียงจันตะเพิดไล่พวกนั้นให้ขยายวงออกไปห่าง เบลกับคริสมีอาการตื่นเลืกลากไปหมดพูดกันเองอยู่ฟอดแฟดและแม่ผมทองก็ขมีขมันวัดความดันอีกครั้งคริส <Chris S 2> ก็จับชีพจรขณะนั้นบุญคำก็เดินเข้ามาพร้อมกับจอกพลาสติกอีกใบหนึ่งซึ่งละลายอะไรชิดนหนึ่งสีดำครั้งผสมกับน้ำอุ่นพอเข้าถึงแกก็เข้าทางด้านศีรษะของลูกพี่ใหญ่ร้องเรียกดังๆขณะที่ประคองศีรษะช้อนขึ้นนายนายรพินแกเรียกซ้าๆอยู่เช่นนั้นราวสี่หห้าครั้ง คนก็เห็นรพินภัยวันยกแขนอันอ่อนเปรีย้ยขึ้นเช็ดริมฝีปากคลางออกมาทั้งๆ ท, ท, ที่ยังหลับตาว่าฮือกินยาหอมหน่อยยาหอมของพระทุนดงที่ให้นายไว้นะ่ะท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของฝ่ายนายจ้างทุกคนต่างเห็นจอมพรานพยักหน้าลง n g ự หนึ่งแสดงว่าได้สติและรู้เรื่องพอสมควรทีเดียวจากเสียงเรียกเสียงบอกของบุญคําำตะพรานสมุนขวาประคองศรีรษะของนายจ้างให้สูงขึ้นอีก ตกรดขอบถ้วยลงกับริมฝีปากอันแตกเป็นเกเล็ดนั้นต่างก็เห็นริมฝีปากนั้นพเพย์เออรออกรับยาทันทีและดื่มลงไปได้วยเจตนาเต็มใจเพราอดื่มหมดบุญคําถอนถ้วยออกก็ถอนใจเฮือกคุณทําอะไรออกออกมาฟังไม่ได้สับบุญคําค่อยๆ่ยผ่อนศีสังให้ลงนอนตามเดิมโดยอา้าเขามาปั้นเป็นก้อนกลมหนุนส่วนชีสังให้สูงขึ้นอีกแล้วแกก็ถอยออกมาพร้อมกับบอกว่าเอาละนายห้างทั้งหลายต่อไปนี้เป็นเรื่องของนาย พลังแล้วจะรักษากันยังไงก็เชิญตามสัมบายนายของบุญคำไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้แกแค่เพลียหมดแรงเท่านั้นพีพีเท่าไหร่วนหน้าคณะร้องถามหมอเบลมาทันทีขณะที่หล่อนถอนหูฟังออกมาครองคอไวร้อยสิบถึงเก้าสิบค่ะอาจารย์เกือบจะปกติแล้วแม้จะต่ำไปบ้างแต่เมื่อกี้นี้มันเกือบศูนย์อัตราชีพจรคริสอเมริกันอวาวุโสหันไปถามเร็วปรือกับลูกน้องอีกคนหนึ่ง ระหว่างเก้าถึง95้าบ้าค่ะเหมือนคนวิ่งมาเหนื่อยๆหัวใจของเขาเต้นเร็วและแรงขึ้นแล้วว้าวอิดสมิราร์คอ่าฮาฮันเตอร์ของเรารอดตายแล้วโว้ยพันเอกลารี่คริสแอบกบากร์ตโกนเอด็ดอื่นแทบกระโดดตัวลอยทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้ส่งเสียงคือด้วยความปิติยินดีเลือที่จะกล่าวคริสนั้นด้วยความลืมตัวผวาเขากอดจอมพลานไม่เต็มอ้อม เชิดวุฒิทรงเสียงชัยโยลันสแตนลี่ยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกถอดหมวกที่ครอบหัวออกโยนขึ้นสูงแล้วรับไวโอ้แท้งสกอตเขาพึมพำส่วนหมอเบลนั่งกระพริบตาปริบปๆปคอแข็งสิ่งที่ประจักษ์ต่อหน้าในขณะนี้แทบทำให้หลอนไม่เชื่อสายตาร่างกายของรพินบัดนี้มีอุณหภูมิขึ้นแล้วมือทั้งสองและซอกคออุ่นลมหายใจยาวลึกเป็นจังหวะช้าๆเหมือน ตนเองเจตนาจะสูดออกซิเจนเข้าไปให้มากที่สุดเชิดวุธนั้นทุตัวทางด้านปลายเท้าจับที่ฝ่าเท้าเปลยของพานใหญ่แล้วบอกว่าแต่ท้าเขายังเย็นชืด อ, อยู่นะไม่เป็นไรมือเขาอุ่นแล้วเบลแคลเซียมก่อนเถอะคริสตินาร้องบอกเพื่อนสาวมาโดยเร็วในประโยคหลังเมื่อนั้นเองหมอเบลจึงตื่นจากอาการตะลึงงานหันเข้าหาหีบเบชพันเสยก็นั่งยองๆข้างเชิดวุฒซึ่งยังจับฝ่าท้าของระพินอยู่ พูดหน้าตาเฉยว่าตอนนี้นายของเฉยเปลี่ยนชื่อจากนายกระพินไปแล้วเปลี่ยนชื่อชดใช่นายทหารเปลี่ยนจากกระพินไพรวันชื่อท้าอุ่นจีนเย็นยังไงล่ะเชิดมุดกัวระก้ากออกมาได้แล้วผลักขัวเจ้าเฉยทิ่มขมาไปการทะลึ่งพูดเล่นได้ของพลานพื้นเมืองมันบอกให้ทราบชัดในทันทีว่า พวกนั้นเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซน์ว่าเจ้านายปลอดภัยแล้วเบลบรรจุยาเขาเข้มเสร็จก็ร้องถามมาทางเชิดวุดเหมือนจะให้แน่ใจอีกครั้งว่าแน่ใจหรือว่าฉันจะให้ยาเขาได้แล้วไม่ใช่กลายเป็นพิษขึ้นมาเหมือนอย่างที่พวกนี้เคยบอกไว้เมื่อตะกี้นี้ฉันมีรับรองนะแคลเซียมต้องฉีดเท่าเส้นด้วยเชิดวุเองก็ชักลังเลเหมือนกันหันไปตะโกนถามบุญคาที่กาลังนั่งมวลยาอยู่อย่างใจเย็น ก็ยังไงลุงคำตอนนี้ให้ยาหมอฟันล้างได้แล้วนะเอาเหอะนายทหารตอนนี้จะช่วยกันยังไงก็ได้แล้วนายอาเจียนออกมาหมดแล้วยิ้ช้านายออกไปกองอยู่โน่นตอนนี้ก็ช่วยเฉพาะให้แกมีแรงและอยากให้จับไข้เท่านั้นเรื่องช้ำนายเอาออกถอนรากถอนโคนไปแล้วเข้าเส้นรูเบลนะเข้าเส้นรูเบลนายทหารหนุ่มถามแม่ผมแดงใช่ช่วยหาเส้นเลือดหน่อยสิ ระหว่างที่ช่วยวุฒช่วยหมอเบลจับมือหาเส้นเลือดบนแขนของระพินคริสก็โบกมือให้รอก่อนตัวหลอนเองก้มลงไปกระซิบเรียกข้างหูรพินายวันฮือเสียงคลางตอบบอกสิถ้าคุณยังพูดหรือจำเสียงของฉันได้ฉันเป็นใครคราวนี้รอนพูดภาษาอังกฤษคริสตินาเสียงแห่พร่าผ่านริมฟิปป่าเขาออกมา แม่ผมทองยิ้มออกมาได้กระซิบช้าๆริมหูเขาต่อไปใช่คริสตินา่าคุณเจ็บมากนะแต่ก็ปลอดภัยอยู่ในหมู่พวกเราแล้วขณะนี้เราต้องการฉีดยาคุณคุณฟังได้รู้เรื่องเข้าใจโดยชัดเจนไหมคนเจ็บยังนิ่งหายใจเข้าออกหนักลึกอยู่เช่นนั้นคริสพูดซ้ำในประโยคเดิมอีกครั้งคราวนี้เขาจึงพยักหน้าลงแต่ไม่พูดหล่อนจึงทดสอบประสาท รับรู้ต่อไปโดยบอกอ่อนหวานว่าไหนแขนขวาของคุณลองยกขึ้นสิคนจ็บค่อยๆ ย, ย, ยกแขนซ้ายขึ้นทุกคนรวมทั้งคริสหัวเราะออกมาเบาๆนั่นแขนซ้ายตั้งหักแขนขวาน่ะอยู่ไหนประพินไพรวันเปลี่ยนมายกขึ้นอีกแขนหนึ่งกำฝ่ามือเข้ามาสิหลอนกระซิบสั่งต่อไป ฝ่ามือข้างนั้นค่อยๆกำเข้ามาเป็นกำปั้นลริสเงยหน้าขึ้นยิ้มกับพักพวกทุกคนแววตาสีฟ้าเป็นประกายไปด้วยความหวังเขารู้สึกตัวแน่นอนแล้วแต่ยังสลึมสลืออ่อนเพรียอยู่มากเดี๋ยวน้าเบลให้ฉันทำความเข้าใจกับเขาเสียก่อนระพินเยสคราวนี้เป็นเสียงที่ดังชัดขึ้นที่รอดริมฝีปากตอบมาเรากาลังจะฉีดยาคุณหล่อนย้าพูดทีละคายอมให้ ฉีดไหมโอเคทุกคนที่ล้อมวงอยู่แทบกระโดดตัวลอยอีกครั้งที่ได้ยินเสียงตอบนั้นเข็มฉีดยาแทงไม่ทะลุผิวของคุณทำยังไงถึงจะให้เข็มผ่านผิวเข้าไปได้คริสใช้วิธีกระซิบกรอกช่องหูอยู่เช่นนั้นทั้งหมดเห็นคนเจ็บขยับตัวอีกครั้งศีรษะของเขาซึ่งบัด น, นี้วางอยู่บนตักของคริสที่ประคองอยู่ ทำท่าจะตะแคงล่นไปกับพื้นหล่อนจึงใช้ฝ่ามือรีบรับไว้ประพินเริ่มนิ้วหน้าและแยกเขี้ยวออกมามันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่แสดงถึงความเจ็บปวดยอกระบมเป็นครั้งแรกต่อมาก็ค่อยๆพนมมือขึ้นจดอกยิ่งเงียบไปครู่จึงชูแขนขึ้นพยักหน้าบอกมาว่าฉีดได้เลยโอโหเพื่อนเราแบบนี้ก็สบายแล้ว คิดร้องล่านออกมาปนหัวเราะล่าประพินเราจะเดินยาเข้าเส้นนะอย่ากระดุกอย่ากระดุกกระดิกขณะที่เดินตัวยาเบลชมโงกมาบอกอีกคนหนึ่งตกลงกรณ า, าเดินยาช้าๆด้วยเสียงพูดตอบจากคนเจ็บที่ยังหลับตาอยู่ครั้งนี้ชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดแสดงถึงสตรีสัมปชัญญะที่กลับคืนมาแล้วฝ่ายนายจ้างทุกคนมองหน้ากันเอง ล้วนแช่มชื่นยินดีปรีดากันทั่วหน้าเรีวค่อยๆบรรจงเสือกปลายเข็มเพื่อเชิดวุฒรีดผิวขึ้นมาจนเห็นเส้นเลือดโปนที่ปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ใจอีกครั้งเพราะเข็มฉีดยาที่เคยทิ่มไม่เข้าในระหว่างที่เขายังหมดสติอยู่นั้นครั้งนี้มันทะลุผ่านผิวเข้าไปได้อย่างง่ายดายที่สุดแม่ผมแดงถอนใจยาวทำเลืองมองหน้าคนเจ็บแล้วสั่นหน้าช้าๆพึมพำว่า คนคนนี้มีอะไรประหลาดอยู่ในตัวมากเหลือเกินแล้วหลอนก็เดินยาอย่างแผ่วนิ่มนวลพอหมดที่บรรจุในหลอดก็ดึงเข็มออกเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ขยี้และบอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งรบกวนชวนก็พูดอะไรทั้งสิน้นปล่อยให้นอนพักสักครู่ทุกคนปฏิบัติตามคาสั่งคริสบรรจงวางศีรษะนั้นลงกับที่หนุนตามเดิม เชิดบุธไปเอาผ้าหวยมาคลุมที่ปลายเท้าให้และปล่อยให้แสงแดดอบอุญญ่นอยอามช้าศาดตเข้ามากระทบยังแต่บังไว้ไม่ให้ส่องหน้าเท่านั้นชั่วโมงวิกฤตนาทีแห่งความเป็นความตายของพรานใหญ่ก็เป็นที่แน่ใจของผู้ร่วมคณะทุกคนว่าได้ผ่านพ้นไปแล้วสแตนลีย์ในฐานะหัวหน้าคณะสั่งให้พวกพรานพื้นเมืองลูกหัก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 ต่างสูบขรีและดื่มกาแฟกันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่คนเจ็บนอนพักนิ่งอยู่ยังไม่มีใครแตะต้องอาหารเช้ายัางอื่นทั้งสิ้นนอกจากพวกรูปห า, หาบและพ่านพื้นเมืองเท่านั้นกิ่งไผ่อันแทนเสาสำหรับให้น้ำเกลือช่วยได้ถูกนำมาปักเตรียมไปแล้วบุญคำกับสมุนช่วยกันกรอบเอากรวดหินลูกหลังมากบรบลอยอาเจียนปนเลือดของเจ้านายข่าวการเจ็บป่วยยางกระทันหันของพรานใหญ่ แกออกไปถึงสะเอิงผู้นอนรักษาตัวอยู่บนถ้ำของหน้าผาซึ่งค่อยยังชั่วมากแล้วเจ้า ก, กรี่ยงผู้นั้นดินรนบอกลูกเมีายญาติโยมจะต ก, กายลงมาดูอาการของพรานใหญ่ให้ได้อิสซาเบลต้องให้คนขึ้นไปบอกข่าวว่าข่าวแกสะเอิงว่าพระพินปลอดภัยแล้วและคืนนี้จะให้คนหามพรานใหญ่ขึ้นไปนอนในโพรงถ้ำเดียวกับมันสะเอิงจึงยอมสงบและไล่เมียให้ลงมาคอยรับใช้ดูแลอยู่ด้วย คนที่จะคลอยปนีบนดูแลนั้นแทบจะไม่ต้องห่วงสาวสาวชาวตะเคียนทองนับจํานวนเป็น10สบสบคนพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกชนิดสําหรับสุภาพบุรุษพรของพวกเขาทั้งหลายแต่ฝ่ายนายจ้างทุกคนเห็นว่าไม่จําเป็นเพราะพวกนั้นถ้าจะช่วยได้ก็เฉพาะแรงงานอย่างเดียวเท่านั้นว่าทุกคนก็รู้สึกถึงความอบอุ่นซาำเ ม, มื่อคีตรอจนน้ําใจสนองตอบและความรักสนิทที่ชาวดอยทั้งหลายมีให้แก่พรานใหญ่กับพวกตน ประมาณ15นาทีภายหลังจากให้แคลเซียมและคนเจ็บนอนนิ่งๆอยู่โดยตลอดกลุ่มนายจ้างที่นั่งสนทนาหาเรือกันอยู่ใกล้ๆก็ตื่นเต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นรพินภพยวันค่อยๆสงบเสงเีลุกขึ้นมานั่งพร้อมทั้งเปิดเปลือกตาขึ้นมองดูสภาพตัวเองมองสิ่งแวดล้อมรอบกายและบริเวณที่ห่างออกไปโดยรอบด้วยแววตาอันแห้งผากของเขา คนของฝ่ายในจ้างเครื่อนเข้ามาล้อมล้อมเขาอีกครั้งจ้องจับกันที่เขาเป็นตาเดียวจอมมกคุเทศซึ่งกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มองหน้าผู้แวดล้อมรอบกายเขาไปทีละคนเหมือนจะสำรวจว่าอยู่ครบหรือไม่มาสุดสิ้นเอาที่หัวหน้าคณะนะประพินรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ด็อกเตอร์แสนดี้เอยถามขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนจอมพรานพยายามยิ้มให้ทุกคน แต่ดูมันเซียวเหยเกยางไรพี่กลุลเอามือยันพื้นขยับจะทรงกายลุกขึ้นยืนแต่คี้กับเชิดวุธเข้ามาจับไว้อย่าเพิ่งยืนเพื่อนยา ก, กคุณยังไม่ค่อยเข้าท่าอยู่นะเอาแค่นั่งก่อนเถอะเขานั่งแผลลงตามเดิมอย่างอ่อนแล้วโหยลยแรงขอน้ำประพินหลุดปลาออกมาสั้นๆ น, นั่นเป็นคำแรกที่เขาพูดหลังจากลืมตาขึ้นมานั่งเชิดวุษเพนไปที่ก า, าน้าอุ่น รินลงจอกแต่เบลล้งแขนไว้ส่งขวดเครื่องดื่มประเภทช่วยในด้านความชุ่มชื่นและกระตุ้นประสาทโดยเฉพาะไปให้เขาโดยเปิดจุกฝาเกลียวออกรานใหญ่กระเดือกน้ำลงคออันแห้งผ่าแล้วยกขึ้นจิบช้าๆโดยยังไม่พูดอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งหมดขวดแล้วก็ถอนใจเคือบวางขวดลงตาเริ่มวีแววประกายขึ้นบ้างเอามือทั้งสองลูบหน้าขยี้ตา แล้วก็เปิดขึ้นอีกครั้งมองข้ามศีรษะของทุกคนที่แวดล้อมอยู่ไปยังกองทถมืนเป็นภูเขาเลากาของซากช้างที่ล้มระเกะละกะแวดล้อมอยู่ทั่วไปดวงตาทำคู่เบิกโพรงยกมือขึ้นชี้กราดไปยังซากมาือมาเหล่านั้นนั่นนั่นเสียงเขาตะกุกตะกักสแซนลี่ก้มศีรษะลงนิดหนึ่งเอื้อมมือมาจับเขาเขาไว้พูดเดิมเนิบใช่ตาคุณไม่ฝาดไปหรอกศึกใหญ่เลยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ตอนที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่กับพวกเราด้วย แคมป์เราแหลกไม่มีชิ้นดีมันยกมาเป็นกองทับฝาดกันตั้งแต่ไรเฟิลปืนลูกซองปืนกลนไปจนกระทั่งระเบิดแต่พวกมันก็เกลื่อนไปเหมือนกันสำรวจแล้วได้เกือบสี่สิบตัวกองอยู่ทั่วอนาบริเวณไปหมดเราพินไพยวันยกมือขึ้นกุมขมับคลาออกมาระอรหรันเป็นความผิดของผมเองที่หลงกลมันพวกเรามีใครตายบ้าง ทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยไม่มีใครเป็นอะไรเลยเราถอยหนีขึ้นหน้าผาตามแผนซึ่งคุณกําหนดไว้ให้ล่วงหน้าได้ทันถับจะเรียกว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยนอกจากเต็นที่เรากางนอนและเครื่องชช้เล็กๆใน้อยเท่านั้นจอมพลานสะบัดศีรษะไปมาเหมือนจะขับไล่ความมึนงงสับสนและพยายามลำดับภาพเหตุการณ์อันยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูกนะ ระยะเวลาระหว่างนี้พักพวกทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีแต่แต่เข้ามาจ้องสํารวจกริยาท่าที่อยู่เฉยเฉยไม่มีใครชวนพูดหรือลุกด้วยคําถามใดๆทั้งสิ้นพักใหญ่ทีเดียวที่จอมพรานนั่งเอามือทั้งสองกุมกระโหลกอยู่แล้วเป่าลมพุูออกจากปากค่อยค่อยเงยหน้ามองดูกลุ่มนายจ้างที่แวดล้อมอีกครั้งรับพินถ้ายังรู้สึกว่าไม่สบายก็นอนพักต่อไปก่อนเถอดยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น แดนลีเออยขึ้นเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยนตบที่ไหลเขาเบาๆผมคิดว่าผมไม่เป็นอะไรมากนะเขาตอบเสียงแห้งคงยิ้มเจือนจุดอยู่เช่นนั้นเงยหน้ามองท้องฟ้าขณะนี้เวลาเท่าไหร่ของวันอะไรและนี่ผมหลับไปนานสักเท่าไหร่ก้าจุหนึน่งอนี่มันเป็นเวลาเช้าของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองเรากะกันว่าคุณหลับไปประมาณไม่เกินห้าหกชั่วโมงเท่านั้น จะเป็นการหลับที่เกือบจะไม่ได้ตื่นอีกแล้วเบลเป็นคนตอบกระพินงงไปอีกอึดใจพยายามยกมือรูปทำตามร่างกายตัวเองเอ๊นี่ไปยังไงมายัางไงผมรู้สึกตัวครั้งสุดท้ายว่านอนติดคาเถาวันอยู่ในเหวตอนนั้นมันปวดยอกระบมไปหมดกระดิกกระเดีย้ยไม่ไหวและต่อยมาก็ค่อยๆกคล้ายๆพอย ห, หลับไปอีกพอรู้สึกตัวอีกครั้งได้ยินเสียงของบุญคาบอกให้กินยาใช่ คุณเริ่มจะรู้สึกตัวก็วตอนที่บุญคำเขย่าเรียกให้กินยานั่นแหละแต่ตลอดเวลาก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้สติเลยโชโยดุษบอกแล้วใครเอาผมมาถึงที่นี่ได้ภายหลังจากไอ้ช้างผีนั่นถอยกลับไปแล้วเราก็ลงจากหน้าผาที่ขึ้นไปหลบอยู่ตรงไปสํารวจตําแหน่งที่พรานพื้นเมืองบอกว่าคุณนอนอยู่เห็นหายไปจะมีรอยเหมือนแกะอรอยติดตามอะไรสักอย่า ง, งและหักกิ่งไม้เป็นสัญญาณ น, นาทางไว้ พวกเราห้าคนและพรานคู่ใจทั้งหมดของคุณจึงออกสาวรอยไปแดนลี่คิดและเชิดวุฒิช่วยกันเล่าตามความจริงทั้งหมดให้พรานใหญ่ผู้พงคืนสติทราบโดยตลอดถึงการติดตามไปจนพบและเอาตัวกลับมาได้อย่างไรตลอดเวลาระพินนั่งนิ่งคือพบทวนความจำของตนเองไปด้วยแล้วคลางออกมาบัดซบมากผมขอบคุณทุกท่านที่ไปเอาผมกลับมาได้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 ก็คุณรับเคราะหนักไปแทนยังไงล่ะถึงไม่ตายก็เกือบไปแล้วตอนที่เราชงโงกลงไปเห็นคุณนอนติดอยู่กลางเหวครั้งแรกก็นึกว่าเป็นศกไปแล้วเหมือนกันพีชพูดเบาๆและถามตอมาทันทีว่าเอาละคุณบอกได้หรื อ, อยังว่ามันที่คุณสะกิดที่คุณสะกดติดตามไปจนกระทั่งถูกล่อไปหล่นเหวนะ่ะคืออะไรคุณยังไม่ได้ให้ความกระจ่างกับพวกเราเลยและก็เป็นปัญหาขบคิด ลึกลับของไฟเรามาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้วามีอะไรเป็นจุดบันดาลให้ขุนต้องลุกขึ้นจากที่นอนและเดินบุกป่าฝ่าดงไปลงเหวบนยอดเขาเจตี้ยรลูกนั้นในเวลากลางดึกเราพินหันไปทางขันพลาสติกที่เชิดวุษมาตั้งไว้ให้ยกขึ้นดื่มเต็มกระหายอีกครั้งอาการของเขายังอิดโรยอ่อนเพรยอยู่มากสิ่งผิดปกติบางอย่างซึ่งเกิดจากความรู้สึกเคยชิน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 รับรองไม่สูญหายไปไหนหรอกทุกชิ้นอยู่ครบเรียกคืนเอาจากบุญคำได้ถ้าคุณสบายดีแล้วท่าทางดูจะฟ่วงที่จริงเงินในกระเป๋าก็ไม่เห็นมีสักบาทเดียวประโยคสุดท้ายหลอนกล่าวพร้อมหัวเราะเบาๆฉันคิดว่าขณะนี้อย่าเพิ่งตั้งปัญหาสอบถามอะไรเขาให้ต้องใช้ความคิดเลยท่าทางเขายังมึนๆงงๆสับสนอยู่มากอาการทางร่างกายก็บอบช้าเหลือเกิน เบลเอ่ยแทกขึ้นขยับตัวเข้ามาใกล้จับแขนพรานใหญ่ไว้พรายวันคุณรอดตายมาได้ครั้งนี้เพราะความสามารถในทางยาสมุนไพรของพวกลูกน้องคุณเองซึ่งช่วยให้คุณอาเจียนออกมาเป็นโลหิตจากการช้ำไนจนหมดฉันเองเป็นหมอแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประสิทธิภาพของสมุนไพรชนิดนั้นสามารถเข้าไปช่วยคุณไว้ได้อย่างไรตอนนี้พวกนั้นขรับรองกับฉันว่าคุณปลอดภัยแน่นอนแล้ว และยอมให้ชั้นตรวจรักษาคุณเพื่อช่วยให้กลับฟื้นคืนกำลังมาโดยเร็วถ้าคุณไม่ปากแข็งหลอกตัวเองคุณต้องยอมรับว่าขณะนี้คุณสบับกสบอมมากหมดกำลังและอ่อนเพลียใช่ไหมประพินสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วพยายามจะทรงกายขึ้นอีกครั้งแต่ก็หมดเรี่ยวแรงล้มแผลจ้ำเบา้าช่บุรกับคิดช่วยกันประคองให้เขานอนราบลงตามเดิมใจเย็นเพื่อนยาก ผมรู้ว่าคุณเก่งว่ะแต่คนเก่งจะต้องมีสังขารร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยไม่ใช่ไหมแต่จะยืนก็ยังยืนไม่ไหวอย่างนี้เชื่อหมอเบลดีกว่าคีดพูดปนหัวเราะกระแสะเสียงของอเมริกันคู่อรี ก, กาวบัตนี้กลายเป็นมิตรยังสนิทใจยิ่งจอมพรานกระพริบตาปริ ป, ปรปิพึมพันว่ารองเท้าผมเราไปอยู่ไหนแล้วก็ไรเฟิลบอกว่าให้ยุดทวงสมบัติเทตี เสียงคริสดังแข็งกร้าวขึ้นจะตายอยู่รอมรอบพอฟื้นขึ้นไม่ได้ก็จะหาโน้่นหานี่บอกแล้วว่าของของคุณน่ยอยู่ครบไม่ไปไหนหรอกมีไฟฉายกระบอกเดียวเท่านั้นที่เอาคืนมาไม่ได้เพราะร่นลงไปแหลกอยู่ก้นเหวเลิกกังวลเรื่องอื่นๆเจ็ดทีได้ไหมแล้วแม่ผมสองก้องหันมาพยักหน้าเป็นความหมายกับเพื่อนสาวอิตซาเบลแขวนถุงน้าเกลือไว้กับเสาที่ปักไว้ก่อนทันทีโยนสายพลาสติกติดกับถุง สำเร็จรูปนั้นไปให้คริส ซ, ซึ่งจัดการต่อกับพัวเข็มฉีดใน ล, นลักษณะนั้นแล้วพรานใหญ่ก็น่าเสียวลงไปอีกฮะนี่เอากันถึงขนาดนี้ทีเดียวหรือเาคลางอ่อยออยวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคุณให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดและบอกก่อนล่วงหน้าตลอดทั้งวันและคืนนี้คุณไม่ต้องทำอะไรหรือเคลื่อนไหวไปไหนทั้งนั้นนอกจากรับน้าเกลือและนอนพักพวกเรายอมรับว่า คุณเป็นมนุษย์พันที่ทรหดที่สุดในโลกพันหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและชีวิตอยู่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเหล็กถ้าคุณยอมปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์พรุ่งนี้คุณอาจเป็นปกติถ้าตยังดื้อดึงถือว่าตัวเองแน่อีกสามวันคุณก็ยังลุกยังลุกไม่ขึ้นอิสเบลร้องออกมา แดนลี่และเชิดวุ๊ช่วยกันอ้อนวอนขอร้องเข้ามาอีกครู่ใหญ่ประพินจึงถอนใจเฮือกยื่นแขนให้โดยดีเอาเอาอยัางไงก็เอากันผมก็อยากจะหายเป็นปกติมีกำลังวังชางเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดเหมือนกันจะได้รับใช้พวกคุณต่อไปจะไอการนอนกระพริบตาปริบๆดูน้ำเกลือดูน้ำเกลือลงทีลหยดโดยขยับขยื้อนไปไหนไม่ได้เลยแบบนี้เป็นเรื่องน่าลาคาญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้คริสหาเส้นเลือดเข้าอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าบอกก่อนนะถ้าเข็มที่จะแทงเข้าไปนี่เกิดงอหรือหักแลก้วก็เราไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนอกจากเอาสายน้ําเกลือยัดเข้าท่าไปทางช่องจมูกของคุณทุกคนหัวเราะขึ้นอย่างขันขันในคําพูดหน้าตายของหล่อนประพินกลืด น, น้ําลายลงคอเอาฝ่ามือข้างหนึ่งค่อยๆลูบไปทางแขนด้านที่คริสกําลังจะจิ้มเข็มแล้วยักหน้า เอาแทงรับรองเข็มไม่หักหรืองอหรอกแม่ผมทองเสือกปลายเข็มเข้าไปและเอาพลาสเตอร์ปิดไว้เบลปรับระดับอัตราการหยดปากก็บอกออกมาว่าคราวนี้เสอิญก็ได้เพื่อนแล้วสินะแต่สำหรับคุณเห็นจะไม่ต้องเอาไม้มาดามแขนกันดินเข็มหลุดหรอกนะเพราะพูดเขียนและอ่านภาษาของคนที่เจริญแล้วได้ไม่ต่ำกว่าสามภาษาเอาละทำตัวให้สบายได้ถ้าง่วงก็หลับต่อถ้าไม่งว่วง คุยอะไรให้เราฟังได้ก็คุยไปจะเคลื่อนไหวยังไงก็ตามสะดวกระวังเพียงอย่าให้เข็มมันหลุดจากเส้นเท่านั้นรอบด้านเราขณะ น, นี้ช้างมันล้มไม่ต่ำกว่า4ี่สิบตัวแต่ภายในแคมป์ทุเรศ ข, ของเราตอนนี้จอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ก็ล้มเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการล้มชั่วคราวเท่านั้นใส่น้ำเกลือเข้าไปสักพันซีซีคงพอจะลุกขึ้นเดินได้จะบังคับให้นอนใส่น้าเกลือก็ยอมละจะขออะไรสักสองอย่างได้ไห เขาบอกกับทุกคนเสียงแจ่มใสเป็นปกติขึ้นกว่าตอนแรกๆอะไรแซนลี่ถามยิ้มยิ้มช่วยสวมรองเท้าให้ผลเหมือนเดิมอย่าให้ผมต้องนอนในสภาพเท้าเปล่าไม่พร้อมอย่างนี้แล้วก็ไรเฟิลของผมบรรจุกระสุนให้พร้อมวางไว้ข้างๆตัวผมด้วยคุณจะเตรียมพร้อมเพื่ออะไรไม่ทราบในภาวะที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เช่นนี้ที่เป็นเวลากลางวันสว่างโล่งแจ้งพวกเราอยู่พร้อมหน้าพรานมือดีของคุณทั้งสี่นั้นก็ครบ ถ้าเกิดอะไรคุณขึ้นคุณคิดว่าพวกเราป้องกันคุณไม่ ไ, มได้นั้นหรือคริสขโมดคิ้วถามข้างเบลร้องเสียงแหลมมาว่าโอ้โห he wants to die with his boots on ใช่คนเจ็บบอกเรียบๆในป่าถ้าผมจะตายลงเมื่อไรแล้วก็ผมจะต้องตายในลักษณะที่ไรเฟิ่ออยู่ในมือและเท้าสวมบูทของผมไม่งั้นตายชนิดนอนตาไม่หลับหรอก มันเป็นธรรมชาตินิสัยแห่งความเคยชินของผมหัวหน้าคณะโบกมือไปทางลูกน้องสาวสวยทั้งคู่ที่รุมกันกระเซา้าเยา้ยาแย่ระพินในขณะนี้แล้วร้องบอกว่าอย่าขัดใจเขาช่วยจัดการให้ตามที่เขาต้องการด้วยฉันคิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีที่สุดในป่าเขาไม่เคยไว้ใจอะไรสักอย่างและตัวเองต้องพร้อมอยู่เสมอถ้าหากยังมีลมหายใจอยู่เบลยักไหลและยิ้มขันขัน เดินไปหยิบออลองเท้าเดินป่าของระพินที่เชดวุดเป็นผู้ถอดออกนํามาคุกเขาลงทางด้านปลายเท้าเขาจับขาขึ้นวางพาดบนตันและสวมรองเท้านั้นให้ทีละข้างพรางบอกว่าเอา้าใส่ให้แล้วเกิดมาก็ไม่เคยใส่รองเท้าให้ผู้ชายคนไหนเลยนะขังในคิดเดินดุมๆไปที่ไรเฟิลของระพินซึ่งวางพิงไว้กับเครื่องหลังของเขาไม่ห่างออกไปนะักนํามายื่นส่งให้คริสแม่ผมทองชูให้เจ้าของปืนดูนี่ ไรเฟิลคู่ชีพของคุณโชคดีมากที่ไม่ได้ชำรุดอะไรเลยนอกจากไม้ผ่านท้ายกระทบหินแว่งถลอกไปนิดหน่อยเท่านั้นเอ้าดูให้ดีนะนี่ลูกกระสุนชนิดฟูแพตยัดเข้าไปนในแมกกาซีนนี่สามนัดอีกหนึ่งเอาขึ้นลำไว้แล้วลดนกปิดลูกเลื่อนลงอย่างนี้วางไว้แนบตัวทั้งแขนด้านซ้ายนี่นะรูปคามันเสียด้วยว่ามันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคุณไม่ไปไหนหรอกจะได้นอนตายตาหลับได้ ณะที่พูดยิ้มยิ้มช้าๆหล่อนปฏิบัติตามที่พูดให้เขาทีละขั้นแล้ววางลงข้างตัวพรานใหญ่หยิบมือข้างที่ว่างของเขาให้มาวางไว้บนตัวไรเฟิลถามต่อมาว่าเป็นยังไงครบสูตรในการนอนของคนชื่อรพินภัยวันหรื อ, อยังขอบคุณผมจะสบายใจหมดกังวลลงได้ก็ต้องอย่างนี้แหละบอกแล้วว่ามันเป็นความเคยชินดอตอร์สแตนลีย์ครับ ในการอาบุษยวางมือบนข่าบนเขา่เขาของเขาว่าไงเพื่อนยากผมคิดว่าผมลําดับเรื่องราวติดต่อได้โดยตลอดแล้วว่ามันอะไรเป็นอะไรประเดี๋ยวผมจะเล่าให้พวกท่านฟังแต่ก่อนอื่นผมมีงานที่จะต้องสั่งคนของผมทั้งสี่คนนั่นก่อนอะไรกันพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็คิดถึงเรื่องงานทีเดียวหรือเบลท่วงเสียงต่ำต่ำโปรดเถอะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําแข่งกับเวลาที่สุด ตอนนี้ผมยอมรับสภาพว่าผมจะต้องนอนให้น้ำเกลือและลุกไปไหนไม่ได้แต่อย่าให้ถึงกับงานจำเป็นอื่นๆต้องชะ ง, งักเลยขณะนี้ผมมีสติ ค, ครบถ้วนแล้วเพียงแต่อ่อนเพรียไม่มีแรงเท่านั้นแต่ผมก็พูดคุยหรือสั่งงานได้โปรดเรียกคนทั้งสี่ของผมเข้ามาพบหน่อยเดี๋ยวนี้หัวหน้าคณะพยักหน้ากับเชิดวุฒนายทหารหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนป้องปากตะโกนเรียกบุญคาจันเกิดและเสยทันที โบกมือเป็นสัญญาณชั่วครู่เดียวลูกสิทธ์ทั้งสี่ก็เข้ามารายล้อมหนาเจ้านายรวมทั้งเกรียงโบเมียอูทะและพระโต้บุญคำเห็นเจ้านายนอนลืมตาใสาให้น้ำเกลืออยู่ลักษณะพ้นอันตรายแล้วก็ยิ้มแป้นห้านายตุกนายกูต่อสายเติมน้ำมันกลายเป็นไอเอิงปอีกคนแล้วจะไม่เป็นไรยอย่างช้าพรุ่งนี้ก็เดินตัวปลิวเล่นแมงมุมขยุมหลังคาตามซอกท่าบนหน้าผาได้อีก ราพินยขยับท้าแต่เท่าก็ขยับหลบยังรู้ทันแต่แล้วก่อนที่เขาจะพูดอะไรกับสมุนขวาจอมแก่นคริสก็ดักคอขึ้นเสีก่อนว่าจะสั่งงานอะไรก็สั่งเป็นภาษาที่พวกเราฟังรู้เรื่องนะอย่าพูดภาษากบภาษาเขียนเป็นอันขาดผมไม่มีความลับอะไรจะต้องปิดบังพวกคุณหรอกพรานใหญ่บอกเรียบๆและสั่งกับคนของเขาว่าบุญคํากับจัน ช่วยคุ้มกันโบเมียกับลูกบ้านทั้งหลายย้อนกลับไปที่หมู่บ้านตะเขียนทองเดี๋ยวนี้เลยพวกนั้นต้องการจะเก็บข้าวของจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลือและข้าวสารที่ยังทิ้งอยู่ในหมู่บ้านร้างค้นมาที่นี่ให้หมดและให้พวกนี้เก็บซากศพพักพวกของเขาที่ทิ้งเป็นซากทุเรศเกะกะอยู่สมไฟเผาให้หมดเกิดกับเตยไม่ต้องไปคอยดูและอยู่ที่นี่บอกโบเมียด้วยว่า ถ้าสเสบียงไม่พอวันนี้ให้ช่วยกันจัดการแล่เนื้อช้างพวกนี้แหละใส่เกลือตาแห้งไว้จัดการให้เสร็จภายในวันนี้เลยแบ่งกำลังกันออกไปพวกไหนจะอยู่แล่เนื้อช้างพวกไหนจะไปขนเข้าของจัดการกับหมู่บ้านร้างคนของโบเมียมีพอที่จะเกณฑ์ได้ได้นาะยบุญคำจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยตะพรานเท่ารับคำแข็งแรงและหันไปส่งภาษากับนายบ้านตะเคียนทองประพินฟังอยู่และพูด อะไรกับเกรียงพวกนั้นสองสาคำแล้วจึงหันไปทางฝ่ายนายจ้างพรุ่งนี้ผมจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมไหมครับหัวหน้าพูดหัวหน้าหันไปปรึกษากับหมอเบลและพักพวกแล้มองมาอย่างเขาทําไมลือระพินผมต้องการออกเดินทางเคลื่อนย้ายจากที่นี่ไให้เร็วที่สุดอย่างช้าพรุ่งนี้มุ่งหน้าห้วยเสือร้องตามแผนเดิมของเราและกะเกลียงพวกนี้ทั้งหมดประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบคนก็จะต้องเคลื่อนย้าย ร่วมเดินทางไปกับเราด้วยพวกเขาจะต้องย้ายถิ่นไปอาศัยรวมอยู่กับหมู่บ้านก็เรียงห้วยเสือร้องซึ่งจะต้องไปพร้อมเราเพราะจะมาซ่อนตัวอาศัยอยู่ในถ้าบนหน้าผาแบบนี้ไม่สะดวกแน่อีกอย่างหนึง่งมีซากช้างถูกยิงล้มไว้ในบริเวณนี้มากมายอย่างช้ามาลืนก็จะเริ่มส่งกลิ่นแล้วต้องให้อาศัยอยู่บนหน้าผาพวกนี้ก็จะทนกลิ่นช้างเน่าไปท้งป่าไม่ไหวแน่ไม่ใช่ตัวสองตัวแต่ตั้งสี่สิบกว่าตัว อย่าว่าแต่ตกอย่าว่าแต่หน้าผาใกล้ๆแค่นี้เลยห่างสักสองสามไมล์กลิ่นก็ยังไปถึงถ้าลมโชยฝ่ายนายจ้างทั้งหมดมองหน้ากันไปมาและเห็นจริงด้วยทันทีเออจริงสินะทีแรกเราไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยพวกนี้คงจะอยู่กันที่นี่ต่อไปไม่ไหวหรอกถ้าเขาจะย้ายถิ่นไปยังจุดหมายเดียวกันกับเขาก็ให้ไปพร้อมเราเสียเลยจะได้ปลอดภัยขึ้นดีเหมือนกันยกขบวนเป็นกองคารวานไปเลยแล้วยังไง คุณไปถ่วงหรือว่าพรุ่งนี้คุณจะยังไม่หายเป็นปกติผู้กล่าวขึ้นอย่างสุ ข, ขุมแจําช้าคือหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ผมน่ะไม่ห่วงหรอกครับเพระเชื่อแน่ว่าผมปฏิบัติตามหน้าที่หน้าที่ตามเดินเดิมได้แต่ผมเป็นห่วงคุณหมอเบลเสียมากกว่าเพราะไม่ทราบว่าจใจผมใส่น้ําเกลือและนอนพักสักกี่วันว่ายังไงเบลในทัศนะแพทย์ของเธอ แดนลี่ถามแม่ผมแดงอิสเบลมองดูคนเจ็บซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการนำทางด้วยสายตาขี้เล่นตามนิสัยของหล่อนแต่ตอบด้วยเสียงปกติว่าโดยทฤษฎีแล้วพรุ่งนี้ก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติถ้าหากไม่มีโรคแทรกซ้อนสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฉันทุกอย่างไม่อวดดีขัดขืนตกลงหมอ ผมจะพยายามปฏิบัติตามคำสั่งหมอทุกอย่างจะให้น้ำเกลือสักกี่ถุงตลอดทั้งวันนี้และคืนนี้ยันรุ่งเช้าเลยก็ได้ขอเพียงให้ผมมีกำลังขึ้นเท่านั้นเราจะอบพยศเกรียงพวกนี้ไปไว้ที่ห้วยเสือร้องซึ่งก็ไม่เสียเวลาอะไรเลยเพราะเป็นเส้นทางที่เราจะบายหน้าไปอยู่ก่อนแล้วพวกชาวป่าชาวดงทั้งหลายความจริงก็ล้วนเครือญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเข้าไปรวมอยู่ด้วยกันได้หลังจากส่งเขาไ้ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องแล้ว เราก็เดินทางของเราต่อไปถ้างั้นคุณหายแน่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะทางฝ่ายเราก็ไม่ต้องการให้เสียเวลาโดยใช่ที่โดยเฉพาะไม่ต้องการสำลักกลิ่นช้างเน่าซึ่งคงจะตายกันเสียก่อนความจริงเราไม่ต้องการจะฆ่ามันมากมายถึงขนาดนี้เลยถ้าไม่ใช่เพราะมันมีเจตนาที่จะบุกเข้ามาขยี้เราให้ได้โดยไม่ยอมถอยคุณไม่รู้อะไรเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยในขณะที่มันบุกเข้าเร่นงานเรา ขนาดพวกเราล่าถอยขึ้นไปอยู่บนหน้าผาหมดแล้วพวกมันยังยึดพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปหมดส่งเสียงคู่คำรามใส่เราๆกับแผ่นดินจะถลม่มและยืนอยู่เกือบสว่างจึงล่าถอยไปตอนนั้นเราไม่เข้าใจและเดาวไม่ถูกเลยว่าคุณหายไปไหนนี่ดีว่าลูกน้องของคุณสี่คนมือแข็งแข็งทั้งนั้นไม่งั้นก็คงมีการตายกันบ้างเป็นแน่ปืนทุกกระบอกยิงจนร้อนแทบจับไม่ได้ เบลพูดมาเรื่อยเปื่อยตามประษาของหล่อนภายหลังจากสั่งการเสร็จบุญคําและจันก็นํากระเหรียงพวกนั้นพระออกจากที่ตั้งแคมป์ไปในทันทีโดยแบ่งกําลังส่วนที่สําหรับทําหน้าที่แล่เนื้อช้างเตรียมสะสมเป็นสเสบียงเมื่อเหลือกันตามลําพังระว่างรพินผู้นอนรับน้ําเกลืออยู่และกลุ่มในจ้างทั้งห้าคนที่เข้ามาล้อมวงกินอาหารเรชั่นอยู่ใกล้ๆซึ่งจัดว่าเป็นอาหารมื้อแรกนับตั้งแต่ตะวันขึ้น รานใหญ่ก็ขอให้เชิญวุธจุดบุรีให้เขาตัวหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าตอนนี้ถ้าผมจะคุยอะไรกับพวกคุณก็พูดคุยได้ใช่ไหมครับถ้าคุณยังไม่ง่วงหรือไม่รู้สึกเหนื่อยที่จะพูดหมอเบลผู้กำลังใช้ซ่อมพลาสติกจิ้มปลากระป๋องใส่ปากอยู่บอกมาแล้วซ่อนยิ้มเมื่อเห็นจอมมัคุเทศอ้าปากหาวตาเริ่มปรีปรือลงทีละน้อยแตนลีคีดเชิดวุฒสังเกตดูอาการอยู่ทุกขณะรอบมองมาทางเบลเป็นตาเดียว เหมือนจะถามเพราะเห็นในพรานใหญ่นิ่งเงียบไปเฉยๆหลอนรอบขยิบตากระซิบบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่เป็นไรหรอกฉันแอบใส่ ย, ยานอนหลับและดิบควิ น, นินลงไปในถุงน้ําเกลือนั่นด้วยต้องการให้เขานอนพักให้มากที่สุดถ้าเขาจะหลับก็ให้เขาหลับเถอะตื่นขึ้นอีกครั้งอาการจะดีขึ้นมากทีเดียวทุกคนจึงเพิ่งเข้าใจเชิดวุฒเดินไปหยิบผ้าผวย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 แม้วินาทีสุดท้ายที่กำลังจะขาดใจตายเขาก็จะไม่บอกให้ใครรู้เป็นอันขะอเมริกันทั้งสี่เงียบกริบสแอนลี่ยกซิก้าขึ้นอัดควันลีตาลงคณะที่นั่งกอดข่าวมองไปทางคนเจ็บคีดเจ้าตัวเกะกะจอมควรที่สุดในคณะซึ่งวาระแรกที่เผชิญหน้ากับสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นก็ประกาศถึงความลำพองโอหังและมินยามอยู่ยางชัดแจ้งบัดนี้เปลี่ยนสภาพกลับ จากหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนสภาพกลับจากหลังเท้าเป็นหน้ามือโครงศีรษะแช่มช้า ย, ย่างน่ากลัวใจและบังเกิดความรักน้ำใจขึ้นมาอย่างไม่อาจบอกไม่อาจบอกถูกส่วนสองแหม่มสาวอิ่มจากอาหารกระป๋องที่กำลังรับประทานอยู่ทันทีเวค่อยๆเหลือบหางตาไปทางคริสก็เห็นแม่ผมทองเพื่อนร่วมตายผู้รุกซึ่งเยือกเย็นกว่าปลายตาจับมองท่าทีของตนเองอยู่ก่อนแล้ว ต่างฝ่ายต่างยังเชิงท่าทีกันอยู่แล้วเบลก็ขยับหมุนกายเข้ามานั่งใกล้ชิดคริสมากที่สุดแผ่วเสียงกระซิบตลอดทั้งวันนี้และคืนนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของเธอหน้าคริสดูแลเขาให้ดีที่สุดถ้าพรุ่งนี้เขายังไม่ปกติเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยก็ค่อยอยังชั่วมากพวกเราทั้งหมดจะลําบากแต่เธอก็จะละทิ้งหน้าที่ของหมอ เปเล่นรักอยู่กับคิดหรือเชิดวุฒไม่ได้เป็นนั้นค่ะฉันรักษาแต่เธอต้องพยาบาลดูแลเขาตกลงหมอกระจายไปหมดแล้วแดดเริ่มแรงขึ้นทุกทุกคนอยู่ในระหว่างพักผ่อนอิริยาบถและจัดการกับตนเองตลอดจนดูบริเวณที่พักด้วยความปลอดโปร่งล่งอกใจขึ้นพอสมควรแม้จะแฝงแววกังวลต่ออนาคตเบื้องหน้าไว้เต็มเปี่ยม พอราตรีมหาการผ่านพ้นตะวันขึ้นสว่างจ้าไปทั้งป่าสภาพของพลพฤกสิ่งแวดล้อมก็กลับคืนมาเหมือนเดิมดูไม่มีอะไรน่ากลัวเลยผิดกับความวิปริตของเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอันมากอเมริกันอาวุโสเริ่มหายใจสะดวกขึ้นเป็นครั้งแรกเขาชวนเชิดวุฒและคิดออกตรวจสำรวจซากช้างรอบๆปริมณทนตรวจสถานที่อีกครั้งพร้อมทั้งสอบซักถาม สนทนาคุยกับพวกลูกหาที่กำลังกระจายกันทำงานเป็นกลุ่มๆเชิดบุตอิซาเบลและคริสขอแรงให้เสยลงไปเป็นเพื่อนเพื่ออาบน้ำชำระกายในทานเบื้องล่างแล้วก็พบด้วยความสยองใจว่ามีช้างพลายขนาดใหญ่อีกสองตัวถูกปืนจากการประทะสมซานมาล้มคาอยู่ริมทานห้วยตัวหนึ่งแล้วนอนขวางเป็นทนานกกั้นน้าอยู่กลางทานอีกตัวหนึ่งซึ่งนั่นแปลว่า กระแสสาายทานนี้ในด้านที่ต่ลงไปโดยน้จะหลผ่านจะต้องเป็นน้ำเสียไปอย่างอย่างน้อยอีกหลายเดือนเมื่อซากช้างนนั้นเริ่มเน่าเฟะขึ้นหมู่บ้านชาวป่าใดก็ตามที่บังเอิญไปตั้งอยู่ใต้ทางน้ำไหลของสายทานนี้จะรับเคราะห์อาศัยดื่มกินไม่ได้เลยคิดกับแซนลี่ตามลงอาบด้วยภายหลังระหว่างที่ฝ่ายในจ้างทั้งห้าพระห่างออกไป ได้ฝากคนเจ็บไว้ในความดูแลของเกิดและสาวๆชาวก็เรียงตะเคียนทองทั้งหลายวิทยุติดต่อแบบมือถือได้ถูกนำมาทดลองกันอีกครั้งผลเหมือนก็ปรากฏอยู่เหมือนเดิมคือไม่สามารถจะเรียกกันได้เลยทันทีที่สวิตซ์เปิดก็มีแต่เสียงคลื่นอากาศดังสู้โครกคลากไปหมดเพราะฉะนั้นความหวังของคณะอเมริกันที่จะใช้วิทยุเครื่องใหญ่ติดต่อกับศูนย์วงการก็เป็นอันหมดสิ้นไปอีก ทั้งคณะขาดการติดต่อกับสถานีลอยที่ควบคุมอยู่ไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แล้วทันทีที่เดินทางมาถึงบริเวณอันพิจารณาว่าอับคลื่นวิทยุแหล่งนี้คิดได้แต่สบดสาบแชงอย่างหัวเสียทุกคนมีความหวังอยู่จะเพียงว่าถ้าเดินทางเคลื่อนย้ายห่างอาอกจากไปไประจากบริเวณนี้แล้ววิทยุรับส่งคงจะทําหน้าที่ได้เหมือนเดิมเพราะตรวจสอบแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนประกอบตัวใดชํารุด ยังแต่มันไม่ทำงานตามหน้าที่ของมันเท่านั้นโชติวุฒิสั่งพวกลูกหาบที่เหลืออยู่พร้อมทั้งเกรียงจำนวนหนึ่งที่กำลังจะลงมือแล่เนื้อช้างอยู่ให้เลิกสนใจกับตัวอื่นที่ล้มเกลื่อนดงอยู่บนลานหน้าผาโดยให้ย้ายมาจัดการกับสองตัวที่นอนอยู่ใกล้ทาน้ำมากที่สุดเพื่อทําลายซากแยกชิ้นส่วนออกไปป้องกันแหล่งน้าเสียให้น้อยลงที่สุด โดยความรอบรู้และนิสัยที่เคยเป็นนักเดินป่าสมัครเล่นมาก่อนในการที่จะช่วยรักษาความสะอาดของแหล่งน้ําไว้จะก็คงจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะแต่ละตัวน้ําหนักหลายตันต่อให้เกณฑ์กาลังกะระยิยงตะเคียนทองทั้งหมดมาช่วยกันแล่ออกก็ไม่สามารถจะกําจัดซากแม้แต่เพียงตัวเดียวของมันให้หมดสิ้นไปได้อีกอย่างหนึ่งปริมาณของเกลือที่จะเอาไปเอามาจากหมู่บ้านรางของพวกนี้ก็มีอยู่ไม่มากนะัก เกลือทะเลเป็นสิ่งหายากที่สุดมีค่ายิ่งกว่าทองสําหรับชีวิตต่าบนภูเขาสูงห่างไกลจากทะเลและชุมนุมนับเป็นได้ร้อยไม้เช่นนี้พวกนี้กินเนื้อช้างด้วยหรือคิดถามอย่างไม่ประสีภาษาถ้าจําเป็นจริงๆมันก็ยังดีกว่าพวกเขียดอึงหรือกิ้งกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชาวดงเขาไม่เลือกหรอกไม่กินเนื้อคนด้วยกันเองก็ดีเท่าไหร่บ้างและเชิดบุตรตอ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 จับปืนบางกระบอกโดยเฉพาะของพวกพลานพื้นเมืองของระพินสี่คนจับโครมเข้าไปที่ล่างไหนเห็นพงหะพลอยลงไปนอนนิ่งอยู่กลางดินสิ้นฤทธิ์เดชลงทันทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามพอรุ่งเช้าขึ้นบรรดาซากอันน่าสะพรึงกลัวลีลับเหล่านั้นก็ถูกไอ้พวกช้างมาหาปลัยล่นำเคลื่อนย้ายไปหมดไม่เหลือทีไ่ไม่เห็นไม่แต่ซากเดียวคงทิ้งไว้แต่เฉพาะซากช้างพวกเดียวกับมัน ซึ่งมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าที่จะช่วยกันลากนำไปได้เท่านั้นเรื่องนี้เอาไว้ให้เราพินตื่นขึ้นมาอีกครั้งใช่ก่อนและพวกคุณมีข้อสงสัยอย่างไรก็ให้เขาอธิบายให้ฟังผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันตัวแทนจากกองทัพ บ, บกไทยตัดบทกับพวกนั้นเราเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญอย่า ง, งเข้าใจว่าการยากลาบากที่จะเป็นเพียงเรื่องการบุก ป, ป่าฝ่าดงปีนเขาลงห้วยเท่านั้น ไม่เชื่อมาก่อนเลยว่ามันจะมีอุปสรรคจากสัตว์ ร, ร้ายและความลี้ลับอาถรรพ์มาเป็นศัตรู ก, กับการเดินทางอย่างนี้คิดบ่นขยี่จมูกแรงๆเรื่องนี้ระพินได้ย้ำเตือนกับพวกนายล่วงหน้าก่อนแล้วว่าแต่พวกนายทั้งหมดฟังเป็นเรื่องเลวไหลไหรสาระก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นกับตาเสียทีฉันว่านี่มันเป็นเพียงแค่ชิมลางขั้นต้นเท่านั้นต่อไปยังไม่รู้จะหนักหนาสักขนาดไหน ดีไม่ดีพวกเราอัดกลายเป็นคณะสาบ ศ, ศูนย์ไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วก็ได้รอไอระเบิดนิวเคลียส10เมกะตันของพวกนายลูกนั้นลูกเดียวนั้นแหละเชิดวุฒพูดอย่างหงุดหงิดคริสยิ้มเย็นโอบไลเขาไว้เบาๆอย่างเอาใจเต้าด้านหนึ่งของหล่อนจึงสีกับแขนเชิดวุฒอย่าบ่นไปหน่อยเลยหนะ้าวุฒพวกฉัน4คนนี้ไม่ได้ทาระเบิดลูกนั้นตก แล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะมาหรอกถ้าไม่ใช่คําสั่งจากเบื้องสูงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไหนๆก็รวมเป็นร่วงไหนๆก็รวมเป็นร่วมตายมาด้วยกันแล้วอย่าทำใจเสาะไปหน่อยเลยไอ้ผมนะไม่เป็นไรหรอกตายเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ถ้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศชาติและเพื่อสันติของโลกจะพวกคุณทำบาปทากรรมไว้กับคนน่าสงสารคนนั้นมากนะ ผมหมายถึงรพินทำไมก็เขาเป็นมักคุเทศเดินป่ามีอาชีพโดยตรงอย่างนั้นอยู่แล้วเบลแยงช่วยวุหนาเครียดผมมาสืบรู้ภายหลังชายคนนี้ตัดสินใจเลิอกอาชีพเดินป่าอย่างไม่มีอนาคตแล้วนับตั้งแต่การเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาเขากำลังจะมีความสุขกับผู้หญิงคนที่เขารักซึ่งเธอก็รักเขามากด้วยพวกคุณป็นต้นเหตุให้คู่รักทั้งสอง ต้องพลัดพรากจากกันชนิดที่ไม่อาจมีโอกาสได้พบกันอีกแล้วอิซาเบลแบะปากเสียใจและช่วยไม่ได้จริงๆทำไมเขาไม่เอาคู่รักเข้ามาด้วยละ่ะว่าแล้วหล่อนก็เดินผละจากมาเสียเชิดวุฒิทำปากหมุกหนิบด่าหันไปมองคริสเห็นหล่อนสงบปากคาใบหน้าเคร่งครืมไม่ได้เอ่ยอะไรทั้งสิน้นคริสเพื่อนคุณปากไม่ดีอย่าถือสาเขาเลยเขายังเด็กอยู่ และอย่างน้อยที่สุดเท่าก็ยังพอให้ความสุขกับคุณได้บ้างงั้นไม่ใช่หรือหล่อนพูดแผ่วตำคราวนี้เชิดบุตรคุปปากนิ่งคณะนายจ้างทุกคนรวมทั้งเชิดบุตรถือโอกาสนอนพักผ่อนชดเชยกับความเหน็ดเหนื่อยแทบเอาชีวิตไม่รอดกันมาเมื่อคืนติดต่อมาจนกระทั่งสายประมาณเที่ยงเศษบุญคากับคณะที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติการยังหมู่บ้านร้านก็กลับมาถึงรายงานให้ทราบว่า ทุกอย่างที่เรพินสั่งการไปจัดการเรียบร้อยแล้วนําเกลือกับข้าวสารเท่าที่จะขนได้ในหมู่บ้านร้างกลับมายังสถานีใหญ่ศพของพวกกระเหรี่ยงตะเคียนทองจากโคตรภัยที่เป็นซากทุ เ, ศเรศเกลื่อนกราดอยู่ก็จัดการยาปนากิจเผารวมกันมอดไหม้ไปหมดแล้วมีรายงานข่าวให้ทราบว่าตลอดระยะทางที่ผ่านป่าไปถึงหมู่บ้านร้างนั้นพบซากช้างที่พระนี้พระถูกกระสุนปืนล้มให้เห็นอยู่เป็นระยะ พระทนพิษบาดแผลไม่ไหวนอกเหนือจากซากจำนวนมากที่กองให้เห็นอยู่รอบๆบริเวณแคมป์จัดว่าเป็นการตะล้มตายศูนย์เจอยังขนาดหนาของพวกมันทีเดียวหนาาละแวกนี้ทั้งหมดมันได้แปลสภาพเป็นป่าชาช้างไปเสียแล้วจริงอยู่ทุกคนในคณะนี้รอดชีวิตได้อย่างหวุดวิดและสามารถถล่มพวกมันได้มากที่สุดเป็นประวัติการแต่พรานใหญ่ระพินไัยวันอันเป็นผู้นาของ ทุกคนก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันและได้รับการาบอดช้ำบอบช้ำสะบักสะบอมที่สุดถึงขั้นอาเจยียนออกมาเป็นโลหิตหมดสติให้น้ำเกลืออยู่กับที่บ่ายสองโมงเสร็จบรรยากาศรอบราบขาบปกติทุกคนยกเว้นแต่พวกที่มีหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลาอยู่พากันนอนหลับไปหมดโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างหวางเต้นชนิดเปิดโล่งไว้เฉพาะหลังคาบางังแดด นอนเกะ ก, กะกันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ระพินนอนหลับสนิทอยู่เบลให้น้ำเกลือถุงที่สองอีก 500cc เมื่อหลังเที่ยงเล็กน้อยก่อนที่หล่อนจะนอนหลับไปข้างๆคริสโดยให้อความหวังจะพักพวกไว้ว่าไม่ควรเกินบ่ายห้าโมงเย็นจอมมะกุทศควรจะรู้สึกตัวและมีอาการดีขึ้นมากฝากลมพิ้วพรมโชยผ่านฝากทานพลึกไพรไม้ป่า ช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบที่วาทวินหาเธอเสียงทุ้มกังวานกึ่งหวานตึ่งเศร้าของลำนำเพลงนั้นสัมผัสเข้ามาในดวงจิตอันนิทราอย่างสนิทของเขาประสาทไร้สำนึกของรพินไพรวันเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งตาลืมหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่รู้สึกตัวเองนอนอยู่ ลมหายใจคล่องสะดวกเพียงแต่ว่างวงเงียอยากจะหลับอยู่เช่นนั้นทุกประโยคของถ้อยคำชัดเจนเหลือเกินเจ้าของเสียงเพลงยิ้มฟันขาวนั่งอยู่บนโขดหินใกล้ๆกําำลังมองมาที่ตัวเขาด้วยสายตากึ่งขันกึ่งทุเลสล้อเลียนไม่มีใครอื่นอีกเลยนอกจากเจ้าคู่ปรับคู่มิตรเพียงคนเดียวเท่านั้นในแสงสว่างล้วลวของยามสายยันกาล ในว่าเขามองไปที่มันอย่างพินิษพยายามจะขับไล่ภาพนั้นไปเสี้ยให้พน้นแต่กลับยิ่งชัดขึ้นไอ้คนดงพนเจนจรโฉมงามคนนั้นมาร้องเพลงบีบขั้นหัวใจอะไรกันอีกแล้วไอ้เวนไปให้พน้น ต, ตาเสียทีได้ไหมบ้าด่าอีกแล้วตาผู้กองเนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดปากจัดเสียทีนะก็มาคืนใช้ผมมาร้องเพลงให้ฟังนะ่ะตอนนี้ไม่ฟังแล้วเละิะ ไม่อยากฟังแล้วเพลงอะไรก็ไม่รู้มันปวดหัวใจเหลือเกินมีคนที่ปวดหัวใจมากกว่าผู้กองน่าจะบอกให้พร้อมกับพูดปนหัวเราะเบาๆแง่าสายจะโดยจินตนาการของเขาเองหรือมันโผล่มาจากไหนก็ตามทีลุกเคลื่อนเดินมาดูที่ถุงน้ําเกลือแล้วเหลือบตางามคมปราบลงจับใบหน้าเขาตอนนี้ก็เห็นจะสบายแล้วนะ โดนน้ำเกลือเข้าไปสองถุงพันซีซีประเดี๋ยวก็รุกขึ้นมาคุยเจาะกับใครต่อใครได้นี่พวกนายจ้างกับคนของฉันหายไปไหนหมดนี่แต่ฉันเห็นแต่แกอยู่คนเดียวเท่านั้นขณะนี้เขาจะไปไหนพวกเขาก็นอนเฝ้าผู้กองกันอยู่ใกล้ๆนี่แหละนอนหลับตาฝันหวานอยู่อย่างนี้จะมองเห็นใครได้นอกจากเห็นผมคนเดียวเท่านั้นใครบอกแกว่าฉันฝันหวานฝันของฉันมันขมคืนเหลือประมาณ ไม่เป็นไรหนะ้าโมรานว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาตอนนี้ผู้กองปลอดภัยแล้วภายหลังจากเป็นจิ้วยี่รากเลือดเสพพักใหญ่เมื่อไหร่แกจะเลิกยั่วฉันเสตีนะ mm. ก็เมื่อไหร่ผู้กองจะเลิกชุนเฉียววางกล้ามกับผมเสตีละ่ะเลิกคิดเสตีเถนะไอท้ทีว่าฟ้าให้ระพินมาเกิดแล้วฉันไหนจึงให้แง่ทรายมาเกิดอีก ตอนนี้ระพินก็เผชิญกับสารพัดปัญหาโดยไม่มีแง่ทายก็แย่หน่อยนะคนเราจะมาคิดถึงกันมันก็อีตอนนี้แหละที่แกโผลมาทําไมวะอ้าวก็ผู้กองส่งจิตเรียกผมน่ะว่าจะให้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะว่าแล้วแง่ทายก็หันหลังกลับเฮ้ยเดียวเดียวเดียวร่างนั้นหันมาอมยิ้มดีตาให้เห็นไหมเรียกแล้วอย่ามาถามอะไรผมเกี่ยวกับคุณหญิงดารินนะไม่บอกให้หรอก เองก็เกลียดขิ้หน้าผู้กองเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อักโขเออฉันไม่ถามอะไรเกี่ยวกับนายหญิงของแกหรอกแต่อยากจะขอคําปรึกษาอะไรหน่อยมันไตรใช่มันเล่นงานฉันหนักเหลือเกินคราวนี้มาในซากใหม่แล้วก็ขนพักพวกบริวารของมันออกมาทั้งปรูปรชาณิธานนท์นครแก้ไขรับมือกับมันยังไงดีทําลายซากนี้แหลกไปอีกซากหนึ่งมาแทนไม่มีการสิ้นสุด ฉันยอมรับว่าฉันขาดแกเสียคนเดียวก็เหมือนแขนขวาถูกตัดออกคิดให้ดีๆนะเส้นผมบางภูเขาอยู่แค่นี้เองคิดยังไงก็ยังคิดไม่ออกแก้ไม่ตกมันมึนงงไปหมดใจเย็นๆ เ, เอาไว้ให้หายเจ็บป่วยสุขภาพกำลังกายกำลังปัญญาพร้อมเมื่อไรผู้กองก็แก้ตกเองแหละตอนนี้พักผ่อนนอนรักษาตัวไปก่อนนี่แกจะไม่ช่วยฉันเลยหรือนี่ ยิ่งเช้าไปเท่าไหร่อันตรายมันก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นเพียงนั้นตัวฉันเองนะไม่ห่วงหรอกสำคัญว่าในจ้างของฉันลูกคนของฉันจะถูกมันท่าตายล่อยหรอไปเป็นลำดับแกก็รู้แล้วว่าฉันต้องรับผิดชอบทุกชีวิตยอมไม่ใครเป็นอันตรายอีกไม่ได้เลยผู้ ก, กองจำได้ไหมสุดสารใหญ่ที่สุดของนิทรานครอยู่ที่ไหนระพินนิ่งคิดฉันจาได้ว่ามันเป็นลูกเขาหินล้วนลว น, ล, วนลูกหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ลาบสูงของบริเวณของซอกอันปรากหักทางเมืองโบราณ น, นั้นแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนบ่ายหน้าไปทิศใดมันเป็นสุสานที่นายทหารชัยยันกับมาเรียเข้าไปถูกกับดักของมันตายติดขังอยู่ในนั้นและพวกเราตามไปพบก่อนที่สองคนจะถูกขังตายอยู่ในนั้นเราช่วยกันระเบิดทางด้านหลังเป็นปากทางเอาคนทั้งสองออกมาได้ในครั้งนั้นภายในเป็นถ้ำสุสาน มีซากอาบยาซึ่งกลายเป็นหินไปหมดถูกเก็บไว้ในนั้นนับไม่ถ้วนก่อนนั่นและใต้ภูเขาสุสานทั้งลูกคลังผีดิบนับร้อยที่คํานวณอายุไม่ได้ตําแหน่งนั้นแหละที่วิญญาณอมาตะของมันไตรไปเอาซากของนักรบต้นหนึ่งออกมาแล้วก็นําไพร่พลของมันออกมาจากสุสานแห่งนั้นเรื่อยๆโดยมีทางข้าออกจากตำแหน่งที่ผู้กองเคยระเบิดเป็นช่องทางช่วยนายทหารชัยยันกับแม่มมาเรียออกมา เพราะฉะนั้นมันจะเกตออกมาสักเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะหมดกลุ่มมีตัวตายตัวแทนไม่รู้จบสิน้นจนกว่าจะหมดกลุ่มของมันเมื่อผู้กองรู้แบบนี้แล้วก็คิดหาทางแก้ไขเอาเองเถอะแต่ฉันจําที่ตั้งภูเขาลูกนั้นไม่ได้ไม่รู้ว่ามันอยู่ทางด้านไหนก็ไม่ไกลไม่ไกลนักหรอกพวกมันยังเดินมาหาผู้กองได้ทําไมผู้กองถึงจะสาวรอยเข้าไปหาแหล่งมันไม่ได้ขนาดเทือกพระศิวะมรกตนครของจักรราษ ผู้กองยังเคยค้นพบนับประสาอะไรกับซากเมืองเก่านิทรานครแค่นี้เองผมไปก่อนแล้วนะกลางวันแสกๆอยู่ช้านักไม่ได้หรอกเอาไว้ให้ผู้กองใกล้ๆจะตายซชก่อนค่อยมาร้องเพลงให้ฟังอีกอย่าลืมพระคุณเจ้ามหาฤาษีโกทธัญะเราลึกถึงท่านไว้เสมอแล้วสวัสดีมงคลชัยชนะจะเกิดขึ้นแก่ผู้กองโชคดีผู้กองที่รัก แงซายกลับมาก่อนเขาตะโกนสุดเสียงพร้อมกับขยับตัวพรวดลุกขึ้นใครคนหนึ่งเข้ามาจับตัวเขาไว้เหย่าเรียกซ้ำเมื่อลืมตาขึ้นก็พบดวงตาตื่ น, ต, นตกใจของคริสตินาจ้องอยู่ก่อนแล้วจับไาลทั้งสองเขาไว้แน่นประพินคุณเป็นอะไรไปฝันร้ายหรือไละตะโกนเรียกใครตอนถามแผวเบาจ้องหน้าเขาคอม็งประพินลืมตาสว่างโรงพยายามหันไปนรอบๆขณะนั้น เวลาสักเท่าใดเขาไม่ทราบได้แต่สังเกตเห็นแดดอ่อนเรืองรองลงแล้วบริเวณที่นอนอยู่ก็คงเป็นที่เดิมนั่นเองนอกจากคริสติน่าผู้ ก, กำลังคุกเขาจับไล่ทั้งสองเข้าอยู่ในขณะนี้ทางเอาไปเล็กน้อยกลุ่มนายจ้างทั้งหมดที่ดูเหมือนกำลังนั่งนอนรวมกลุ่มกันอยู่พากันหันขวับมาเป็นตาเดียวสายน้ำเกลือที่ยังติดเชื่อมอยู่ที่แขนบริเวณของน้ําเกลือในถุงเหลืออยู่เพียงอีกเล็กน้อยเท่านั้นประพินหลอนกระซิบเรียกเขาอีก ในขณะที่สตนลี่คีิเชิดวุดและเบลล์รูมเริ่มลุกขึ้นและกำลังจะทยอยเข้ามายัางเขาผมเรียบร้อยดีไม่มีอะไรหรอกคริสนั่นเวลาเท่าไหร่แล้วสิบหกจุดสองห้าฉันได้ยินคุณเออาตะโกนเรียกชื่อใครคนหนึ่งแล้วก็พรวดพ ร, ราดลุกขึ้นนั่งร้านใหญ่หัวเราะอบาๆอานิ้ว อ, อีกข้างหนึ่งขึ้นคีบที่สันจมูกปล่าปล่าไม่มีอะไรหรอกผมคงฝันไปนะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ฝันร้ายอะไรทั้งสิ้น ที่หลับเป็นตายไปหลายชั่วโมงทีเดียวทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีหรือในระหว่างที่ผมหลับโดยไม่รู้สึกตัวนานน้ำเสียงของเขาแจมา่มใสแทบจะเป็นปกติธรรมดาเหมือนเดิมเรียบร้อยทุกอย่างพวกลูกน้องคุณก็ไปจัดการกับสิ่งที่คุณสั่งเสร็จแล้วขณะ น, นี้ทุกคนอยู่พร้อมหน้าไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งสิน้นพอดีกับที่กลุ่มนั้นเดินเข้ามาถึงพอสังเกตเห็นสีหน้าอาการของเขาต่างล็ยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาได้ เป็นยังไงบ้างเพื่อนยากตื่นขึ้นข่าวนี้ดูคุณดีขึ้นมากทีเดียวคิดลองทักเข้าห้าปนหัวรอก้มลงมาตบหนักๆที่ไหลขอบคุณทุกคนในทุกอย่างที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวผมผมรู้สึกว่าได้พักผ่อนพอสมควรทีเดียวและพอมีกำลังขึ้นบ้างแล้วขอความการุณาถอนไอ้เข็มนี่ออกเีทีได้ไหมผมว่าผมพอแล้วนะอย่าใจร้อนทนราคาญอีกนิดเดียวก็จะหมดแล้ว แล้วอีกไม่กี่ซีซีเท่านั้นไม่เกินยี่สิบห้านาทีก็เรียบร้อยตอนนี้คุณจะเคลื่อนไหวทําอะไรบ้างก็ได้แล้วเพียงแต่อย่าให้สายน้ําเกลือหลุดเท่านั้นเรลบอกมายิ้มยิ้มเอาผ้าขนหนูสะอาดอ่อนนุ่มชุบน้ําเย็นส่งไปให้คริส ซ, ซึ่งช่วยเช็ดหน้าให้แกเขาด้วยมืออันแผวเบาตัวแม่ผมแดงเองจัดการกับเครื่องกระป๋องเรชั่นอันเป็นซุปมะเขือเทศจุดไฟจากตัวเชื้อเพลิงแอลกอฮอลส่วนล่างของกระป๋องอุ่นในทันทีร้องบอกมาว่า เดี๋ยวคุณต้องกินอาหารเหลวๆรองท้องไว้ก่อนแล้วค่ำนี้ก็คงจะร่วมวงอาหารกับเราได้เป็นปกติหิวไหมเขาพยักหน้ารับตามตรงกาแฟหรือบาลานดีก่อนไหมเสือดวุฒิถามผมอยากได้น้ำเย็นสักสองสามอึกและบุหรี่ขณะที่พูดจอมพรานเอามือตบกระเป๋าเสื้อตัวเองด้วยความเคยชินแล้วก็จาได้ว่าสมบัติกระจุกกระจิกติดตัวอยู่ริสเป็นคนบอกว่าถอดออกไปหมด เชิดบุตเดินไปรินน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ลงถ้วยพลาสติกและจุดบุหรี่มาส่งให้เขาภายหลังดื่มน้ำจนหมดและอัดควันบุหรี่เต็มกระหายพร้อมทั้งเป่าเป็นทางยาวประพินไพรวันก็รู้สึกว่าสภาพทางร่างกายและสมองของเขาบัด น, นี้พร้อมแล้วและจะไม่เต็มอัตรใยเหมือนยาปกตินักก็ตามยังไม่มีใครสักถามหรือพูดอะไรกับเขาในสิ่งที่หนักสมองนอกจากชวนคุยถึงสภาพความรู้สึกทางร่างกาย ในขณะนี้และช่วยกันเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่พรานลูก1ิสี่คนเข้ามาเยี่ยมดูอาการเขารวมทั้งหัวหน้าหมู่บ้านตะเคียนทองอูถาและพระโต้ทุกคนดีใจเมื่อเห็นสภาพของเขาในขณะนี้เข้ามาทักทายกันคนละคำสองคำแล้วก็ไปทำงานกันตามเดิมเพราะรู้ดีว่ากลุ่มนายจ้างคงต้องการจะสนทนากับพรานใหญ่โดยเฉพาะซุปของเบลเคี่ยวจนเดือดทรงกลิ่นหอมฟุง้งยกมาตั้งให้ ระยะเวลาที่รอให้มันคลายอุณหภูมิลงจนพอที่จะตักกินได้ก็เป็นเวลาพอดีกับที่น้ำเกลือในถุงที่สองหมดเข็มถูกถอดออกในทันทีระพินโล่งออหมดความรำคาญไปเปราะหนึ่งยังไม่พูดจะอะไรกับใครมากนักลุกขึ้นนั่งคัดะมารโจซุปยังหิวโหวยจนหมดพักพวกทุกคนพูดคุยกันเองและรอบสังเกตดูเขาอยู่เฉยๆด้วยความพอใจมันเป็นอาหารมื้อแรกที่ผ่านลงกระเพาะนับตั้งแต่ เกือบดับเครื่องไปตลอดเมื่อหลังเที่ยงคืนของราตรีที่ผ่านมาแต่ขนมปังในกระป๋องเรช์ชันอีกก้อนหนึ่งกระพินก็เปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่สิ่งแรกที่ทดลองก็คือลุกขึ้นยืนสบัดแขนสบัดขาออกไปทมบลงหยิบไรเฟิลขึ้นมาแง้มลูกเลื่อนลูกระสุนที่จำได้ว่าคริสบรรจุเอาไว้ให้เรียบร้อยเหนียวไกอุบนิ่งไว้ค่อยๆตบลูกเลื่อนลงเป็นการลดนกตามเดิม หันไปมองดูสภาพของซากช้างที่ล้มตายอยู่เกลื่อนบริเวณที่พักอย่างพิ่นิดอีกครั้งและยกมือขึ้นขยี้จมูกคืนนี้พวกเราทั้งหมดจะต้องอพยพขึ้นไปอาศัยหลับนอนตามซอกถ้าบนหน้าผากับกระเรี่ยงพวกนี้เสียแล้วล่ะครับปักหลักอยู่ที่นี่เหมือนเมื่อคือนที่แล้วไม่ได้เพราะยังไม่แน่ว่ามันจะแอบบุกเข้ามาเล่นงานเราซ้ำอีกหรือเปล่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเขาพูดขึ้นลอยลอยสมองและร่างกายของเขาเริ่มทํางานได้แล้ว เดวแอบกระซิบกับพักพวกทุกคนที่กำลังมองจับอากับคิริยาของพลานใหญ่เป็นตาเดียวแต่ท่าทางเขายังกระป ก, กะเปี้ยอิดโรยอยู่นะชวดวุฒพูดแผ่วเบาไม่เป็นไรหรอกคืนนี้ก่อนนอนหให้ให้เซลายผสมยานอนหลับอีกสักห้าร้อยซซีเท่านั้นรุ่งนี้พวกเราก็เดินตามเขาไม่ทันอีกตามเคยดูแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเลยว่าแต่เขาจะยอมให้ใส่น้าเกลืออีกหรือ อิจฉอิบถามเพื่อนสาวต้องยอมสิไม่ยอมได้หรือเมื่อเรามีเหตุผลว่าต้องการให้สุขภาพของเขาแข็งแรงเหมือนเดิมยกให้เป็นหน้าที่ของเธอจะคู่จะปลอบหรือแสดงเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่สรุปก็คือคืนนี้เขาต้องได้น้ํเกลืออีกอย่างน้อยห้าร้อยซีซีเบลโยนภาระหน้าที่มาให้แม่ผมทองเอาดือด้อหัวหน้าคณะลุกขึ้นเดินตรงไปประคองหลายจอมพรานไว้เอาอยัางไงก็เอากันระพิน ผมเองก็มีความเห็นเหมือนคุณเหมือนกัน ค, คือคืนนี้เราไม่น่าจะเสี่ยงปักหลักอยู่ตรงพื้นราบนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คุณก็กำลังไม่สบายอยู่อย่างนี้อย่าเพิ่งออกแรงหรือคิดอะไรก่อนเลยตอนนี้ไปพักและคุยกันดีกว่าไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเกี่ยวกับรอบๆแคมป์นี่เลยทุกคนช่วยกันทำงานแข็งขันดีอยู่แล้วแล้วแซนลี่ก็ดึงอมคุเทสนาทางกลับเข้ามานั่งพักที่เก่าเอาละครับตอนนี้ สมองและความจำของผมครบถ้วนบริบูรณ์ดีที่สุดแล้วและผมก็ยังจำได้ว่าก่อนที่จะบอกอะไรแก่พวกคุณขณะที่ผมนอนรับน้ําเกลืออยู่ผมพล่อยหลับไปเฉยๆคณะพักทุกคนลงนั่งล้อมวงเข้าทันทีเรื่องมันไปยังไงมายังไงคุณจึงเดินไปตกเหวกลางดึกคำถามถูกตั้งขึ้นทันทีประพินอัดความบริหนักๆอยู่อีกพักพยายามจะลาดับภาพทบทวน แล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดที่ตนเองได้เผชิญเมื่อคืนที่ผ่านมาตามลำพังในขณะที่ออกไปนอนดักอยู่ริมยังดานอยู่ยังริมทางดานที่จะนำลงไปสู่ลำห้วยข้างล่างเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาด้วยอาการสังหรณ์ผิดปกติต่อมาก็ปรากฏว่ามีซาของไอ้ผีดิบที่เขายิงหัวเข้าซะบ้าและและตัวที่เชิดบุดวางระเบิดขาดไว้ครึ่งตัวถูกอะไรชิ้นนีหนึ่งเวียงขว้างออกมาจากลาวป่าหล่นลงใกล้ๆบริเวณที่เขานอน อ, นอยู่ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นการจับคว้างมาด้วยง่วงช้างมันทั้งสองครานเข้ามาเพื่อที่จะประทุษร้ายเขาด้วยอาการระ ง, งับด้วยอาการงับกัดด้วยฟันซึ่งเป็นการหลอกหลอนสำแดงฤทธิ์คมขวัญมากกว่าที่จะทําอันตรายใดๆต่อร่างกายเขาได้พ ข, ขาได้ยิงออกไปสองนัดซึ่งกระสุนด้านทั้งสองนัดเมื่เล่ามาถึงตอนนี้ขณะที่ทุกคนฟังอย่างเงียบกริบแดนลีก็ควักกระสุนไลรเฟิลจุดสี่ห้าแปดสองนัดที่คริสค้นพบในกระเป๋าเสื้อของเขา และถอดออกเก็บไว้ส่งไปให้เจ้าตัวดูสองนัดนี่ใช่ไหมที่คุณยิงไอ้มอนสเตอร์สองตัวนั้นแล้วกระสุนไม่จุดชนวนระเบิดเราค้นพบได้จากกระเป๋าเสื้อของคุณประพินรับไปพิจารณาแล้วรับว่าใช่ครับใช่สองนัดนี่แหละรอยเจาะของเข็มแทงชนวนลึกมากมันไม่น่าจะด้านเลยกระสุนยังใหม่เอี่ยมอยู่คิดว่าประพินเห็นว่าไม่จาเป็นที่จะต้องเล่าถึงสาเหตุในข้อที่ว่า ทำไมกระสุนทั้งสองนะัดจึงไม่ระเบิดในขณะนั้นเรามีฉะนั้นก็จะต้องอธิบายกันมากเขาจึงผ่านไปเสียโดยเล่าให้ฟังเฉพาะเมื่อ ก, กระสุนเกิดด้านขึ้นก็ฟาดกระนำด้วยผ่านท้ายปืนเป็นผลให้ไอพีดิพิการทั้งสองตนนั้นฟุบนิ่งกลายเป็นท่อนไม้ไปอีกแสดงว่าวิญญาณหรือเวทมนต์กาลีที่เข้าสิงวงการมันอยู่ได้ออกจากร่างพวกเราทำไมไม่รู้สึกตัวกันเลยและทำไมคุณไม่ได้ส่งสัญ ญ, ญาณให้เสียงแก่พวกเราบ้างเลยในตอนนั้นคริสถาม มันเป็นเรื่องอธิบายยากมากขณะที่ผมใช้ดัมไรเฟิลกระแทกไ อ, อ้อมนุษย์สองตนนั้นและตะลุมบอนกับมันอยู่ตรงนั้นไม่ปรากฏว่าพวกเราในแคมป์ที่หาออกไปเพียงไม่เกินสามสิบถึงสี่สิบหลาแบบนี้บนนี้จะรู้สึกตัวเลยผมมองขึ้นมาก็ายังเห็นเกิดดูสวยคนใดคนหนึ่งเดินตรวจยามอยู่เป็นปกติผมได้ตะโกนเรียกมาแล้วแต่มันไม่ได้ยินเลยอยู่คล้ายๆกับว่าผมผู้ซึ่งนอนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นกับแคมป์ของเราบนนี้อยู่กันคนละโลกเช่นนั้นแหละ นี่คือความลี้ลับอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากมนุ์มืดอุบาทเอาละคุณเล่าทางด้านคุณไปก่อนประเดี๋ยวเราจะเล่าทางด้านไฟเราทั้งหมดในแคมป์นี่บ้างว่าไอ้อามนุษย์ทั้งสองตนที่คุณว่าคุณกระแทกมันได้เซ้นไลเฟิ่นจนแน่นิ่งไปแล้วมันได้ถูกโยนเข้ามาให้คลานอารวาดอยู่ในแคมป์ของเรายัางไรบ้างก่อนที่โขงช้างจะบุกมันเล่นงานทางคุณก่อน แล้วก็เข้ามาเล่นงานพวกเราภายหลังเชื่อว่าช่วงเวลาห่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเชิดวูดบอกทุกคนในอาการตื่นเต้นและสุดพิศวงต่อเหตุการณ์ปราณใหญ่เล่าต่อไปถึงเหตุการณ์ภายหลังจากที่ไอ้ผีดิบสองตนนั้นแน่นิ่งไปแล้วไอ้ซากนักรบโบราณตัวใหญ่ที่สุดและเป็นตัวเดียวกับที่บุกเข้าหักคอลูกหาบเซีย ส, สองคนในคืนที่นอนไม่สบายอยู่ได้ปรากฏตัวขึ้นรอรอให้เขาเห็นและส่งสัญ ญ, ญาณท้าทายเชิญชวนให้ติดตามมันไปติดตามมันไปเป็นลําดับ ดูจเจตนาหวังว่าหากเห็นร่างกายส่วนใดของมันชัดเจนจะใช้กระสุนไลรเฟิลขนาดใหญ่ที่ประจำตัวอยู่เด็ดร่างกายของมันให้ขาดออกเป็นชิ้นส่วนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นมันโผล่ออกมาเป็นเป้าหมายถนัดพอที่จะลั่นกระสุนได้เลยจึงตามไปทุกระยะส่วนการหักยิงไม้เป็นสัญญาณไว้นั้นก็เป็นสัญชาตญาณประจำตัวของเขาเองที่จะต้องทําไว้ขณะที่ออกติดตามแกะลอยสิ่งใดเพื่อว่าถ้าจําเป็นจริงๆพักพวกด้านหลังก็ยังทราบว่าเขาบ่ายหน้าไปทางไหน ดิฉะนั้นตัวเองก็จะได้ใช้เป็นเครื่องหมายย้อนกลับมาทางเก่าได้ผมไม่คิดว่าผมจะต้องตามมันไปจากที่นอนอยู่ห่างแคมป์ไม่ไกลนะรู้สึกว่ามันจะรับราล่ออยู่ไม่ห่างไปเท่าไรเลยจึงสาวรอยอกหาโอกาสยิงไปทุกขณะจึงยิ่งเดินตามไปก็ยิ่งห่างที่พักมันเจตนาที่จะล่อผมให้ไกลจากแคมป์ของพวกเราส่วนใหญ่ออกไป ขณะนั้นผมไม่รู้ตัวเลยหวังที่จะตามมันประการเดียวในที่สุดจาการตามกันอย่างบุญวิกระชันชิดมันก็นํำเขาขึ้นเนินลูกหนึ่งเป็นบริเวณที่โปร่งตา ม, มีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนหางกันเป็นระยะหน้ที่นี้เองเขาเชื่อแน่ว่าคงจะมีโอกาสยิงมันอย่างแน่นอนเพราะไม่มีสิ่งกําบังรับตาทัานทีนั่นเองมันก็วูบหายเข้าไปบังหลบหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผมเอาไฟฉายส่องจับตําแหน่งนั้นไว้ตลอดเวลารอว่า เมไหรมันผละจากต้นไม้ต้นนั้นและไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปทางใดก็ตามจะต้องเข้าทางปืนผมแน่นอนระพินพูดขณะที่ต่อบุลีตัวที่สองหน้ายามนั้นแข็งกระด้างเหมือนหินทั้งหมดฟั่งชนิดแทบไม่หายใจจ้องเป๋งมาที่เขาเป็นตาเดียวคเนว่าได้รออยู่ครู่ใหญ่ทีเดียวมันไม่โผล่ออกมาให้เห็นเลยคงบังเอาอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นั่นเองวิธีเดียวเท่านั้นที่ผมจะมองเห็นตัวมันได้ก็คือ ต้องเดินอ้อมไปทางด้านหลังของต้นไม้ต้นนั้นแักขณะที่ผมเดินอ้อมคิดทางเพื่อมุมยิงนั่นเองก็รู้สึกว่าเท้าเหยียบลงไปในกองไม้ใบไม้แห้งซึ่งปูรวงตาปกคลุมไว้ข้างใต้เป็นอากาศอันว่างเปล่าความที่คอยจ้องระวังที่จะยิงมันอยู่ทําให้ผมไม่ทันสังเกตพื้นที่ก้าวเดินไปเพราะเห็นว่าเป็นพื้นโลง่งไม่ได้ลกทึบ อ, อย่างใดทั้งสิน้นเมื่อเท้าเหยียบถลําลงไปในโพรงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ผมก็เสียหลัก รู้ในทันทีนั้นเลยว่าผมตกเฮวแล้วร่างกายของผมรุ่งลงไปทั้งตัวกระทบกับขอบแข็งๆซึ่งเข้าใจว่าเป็นแง่หินที่โผล่ออกมาในปล่องเฮวนั้นความรู้สึกของผมดับบู้ไปทันทีหมดสติไปตั้งแต่เวลานั้นมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงบุญคำเขย่าเรียกให้กินยาแอนลี่ยกมือขึ้นรูปขางมองไปยังทุกคนที่ลายล้อมอยู่ในขณะนี้ถ้า่างนั้นเหตุการณ์มันก็ประสานติดต่อกันได้แล้วไอ้ตัวจ่าฝูงหัวหน้าได้เข้ามาล่อเราพินโดยเจตนา ก็นําเข้าไปหล่นเหวเป็นอุบายที่กาจัดหรืออย่างน้อยก็นํารพินทางออกจากแคมป์พวกเราเสียก่อนอรพินไปหมดสติอยู่ในเหวที่มันวางเป็นหลุมพรางไว้ทางด้านเราก็ถูกโจมตีทันทีแล้วเหตุการณ์ทางด้านนี้ล่ะครับมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนผมงงไปหมดพอได้สติลืมตาขึ้นมาครั้งแรกก็เห็นซากช้างเกละเือนแคมป์แหลกพินาศไม่มีชิ้นดีตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรก พวกคุณยังไม่ได้บอกให้ผมทราบโดยละเอียดนักเลยประพินถามเสียงเหือดไม่วายมองไปยังซากช้างเป็นภูเขาเหล่ากาลาวนั้นเอาละเราจะเล่าให้คุณฟังอย่างทีท่วนที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างแายหลังจากที่คุณไปหมดสติอยู่ในเหวเดี๋ยวเราจะเรียกลูกน้องมือดีของคุณทั้งสี่คนนั่นเข้ามาด้วยเพราะแต่ละคนก็เผชิญกับเหตุการณ์แต่ละมุมพวกเขาพบเข้าอย่างหนึ่งฝ่ายเราก็พบอีกอย่างหนึ่ง ก อ, อนจะลงท้ายด้วยการเปิดฉากยิงกันแบบตะลุมบอลกับไอ้โขงช้างและกองทัพผีดิพวกมันและผลที่สุดเราทุกคนก็ต้องถอยขึ้นไปบนหน้าผากันทั้งหมดเนื่องจากต้านไม่ไหวถ้าเมื่อเย็นวานี้คุณไม่มาเลือกชัยภูมิตรงนี้เป็นที่พักและวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ไว้ก่อนรับรองว่าพวกเราจะไม่มีใครเหลือรอดอยู่ได้สักคนเดียวไอ้ช้างผีสิงเหล่านะั้นมันตะลุยเข้าใส่เราวดุเดือดยิ่งกว่าหน่วยกล้าตายซะอีก ตัวหนึ่งลบอีกตัวหนึ่งจะหนุนเนื่องผลักดัน้าโถมกันเข้ามาไม่มีการกรโดดลูกปืนเลยขนาดเราหนีขึ้นไปอยู่บนถ้ำบนหน้าผาแล้วพวกมันก็ยังชุมนุมกันอยู่ที่นี่เต็มไปหมดแบบยึดครองพื้นที่เลยเพิ่งจะล่าถอยไปอย่างเงียบๆก็ตอนใกล้สว่างๆเร า, าสี่นาฬิกาเศษๆนี่เองพอพวกมันไปแล้วเราถึงเสียงลงไปแกะอรอยติดตามคุณอเมริกันอาวุโสกล่าวขึ้นโดยเร็วและพยักหน้ากับเชิดวุฒเป็นสัญญาณในทหารหนุ่มลุกขึ้นยืนทันที ตะโกนเรียกบุญคำเกิดเสยและจันให้เข้ามาหาพอคนทั้งสี่เข้ามาถึงก็ได้รับาคำสั่งให้นั่งลงลานใยญ่อยากรู้ว่าทางด้านเราเจอเข้ายัางไงบ้างเรามาช่วยกันลําดับภาพติดต่อเหตุการณ์ให้เขาฟังหน่อยว่าใครเห็นอะไรยังไงบ้างปลานทั้งสี่เล่าไปตามที่ตนเองได้เห็นได้ประสบมาสุดแต่ว่าใครจะเห็นเช่นไรตื่นขึ้นตอนไหนและคริสติน่าก็เล่าว่าหลอนพบ ก, กับสิ่งอันผิดปกติน่าสะพรึงกลัวที่สุดในขณะที่สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาครั้งแรกอย่างไร จุดสำคัญที่สุดเนื้ออื่นใดก็คือซากชารุดของไอผีดิบสองตัวที่เล่นงานระพินก่อนแล้วต่อมาก็คืบคลานเข้ามาหลอกล้อขอความโกลาหลอลรมานให้แก่พวกที่อยู่ในแคมป์ก่อนหน้ากองทัพช้างจะล้อมบุกเข้ามาโดยมีสิ่งที่มองเหมือนลักษณะมนุษย์ซึ่งบังคับเป็นควานมาบนอคอโคชสารเหล่านั้นด้วยระพินนั่งเอามือนวดหน้าแขงตัวเองฟังอย่างสงบ เราไม่เข้าใจเลยละพินเกี่ยวกับไอ้ผีดิบสองตัวที่ร่างกายของมันชํารุดไปแล้วคลานเข้ามาไมา่จะเล่นงานคุณพอคุณกระทุกมันจนกลายเป็นซากไปตามเดิมและตัวคุณเองก็ถูกลอบไปเส้ทางหนึ่งมันกลับคลานเข้ามาเล่นงานพวกเราในแคมป์อีกไอ้ตัวขาดเครื่องทอนเลื้อยเข้ามาเปิดเต็นท์ทางด้านปลายเทา้าปากจะงับขาคริสตัวอีกตัวหนึ่งที่คุณเคยยิงหัวเขาแหละถูกเบียงเข้ามาคลานงุ่มง่ามอยู่กลางบริเวณ ที่น่าสังเกตที่สุดก็คือเราช่วยกันซัดมันได้ลูกปืนแต่ถึง ก, กระสุนจั ง, จงๆมีชิ้นส่วนร่างกายชํารุดไปตามรอยกระสุนก็จริงแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดมันลงได้มีปืนของคนอยู่ห้าคนเท่านั้นที่เห็นชัดว่าซัดโครงไปที่ไอตัวไหนตัวนั้นจะคว่ำนิ่งไปทันทีคือปืนของพวกพลายของคุณทั้งสี่คนที่นั่งอยู่และปืนของเชิดวุดบางนัดเท่านั้นนายผมทรงลานบินกล่าวขึ้นอย่างมืดมนไปหมด ประพินเหลือแบแวบไปทางบุญคําผู้นางกอดเขาเยาะใบกระท่อมอยู่ทันทีถามเบาๆว่าบุญคํากระสุนของนายทหารเชิดบุตบุญคําเอาไปเข้าพิธีด้วยหรือเปล่าะเท่าหึ่ยในลําคอกระสุนของนายทหารเชิดบุตเป็นขนาดเดียวกับพวกของบุญคําอยู่แล้วพอทําเสร็จก็เอาไปแจกให้แกนายทหารแกคงเอากระสุนที่บุญคําลงไว้ให้บรรจุไว้มั่งถึงได้ตอกไอ้ผีนรกพวกนั้นขมาเค้เก้ไป ไม่มีวันลุกขึ้นขึ้นมาได้อีกอีเอ็มสิบหอีกสองกระบอกที่ฝากบุญคำกับจันไว้ที่ถอดกระสุนมาเข้าพิธีด้วยนอกนั้นแล้วบุญคำไม่ได้ไปยุ่งด้วยเขาพยักหน้าช้าๆหันมามองนายจ้างทุกคนที่แวดล้อมอยู่ผมรู้สึกลำบากใจเหลือเกินที่จะอธิบายแต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดกันให้เข้าใจไว้เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาแปลกใจสาหรับพวกคุณเกินจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง จากมัมมี่เหล่านั้นความจริงแล้วเป็นแต่เพียงวัตถุโบราณเท่านั้นการที่มันเคลื่อนไหวและทําการร้ายได้<อ>ก็ด้วยอํานาจสายเวทอาคมกฤตยามนมันก็เหมือนกับคลื่นวิทยุที่บังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้นั่นเองแต่ในทางมนมืดแล้วพลังงานที่บังคับมาแทนที่จะเป็นคลื่นวิทยุมันก็เป็นกระแสคลื่นแห่งดวงจิตที่กล้าแข็งเราจะต้องเรียนรู้ถึงกริทยามนอาถรรพ์เมษนิเสียก่อน แล้วจึงหาทางแก้ในแนวเดียวทางเดียวกันไสยศาสตร์ก็ต้องแก้ด้วยไสยศาสตร์ที่พวกคุณสงสัยว่าเหตุใดลูกปืนจะพวกคุณถูกซากพวกนั้นแล้วยังหยุดมันไม่ได้และเหตุใดกระสุนของพลานพื้นเมืองของผมเมื่อของคุณเชิดวุฒิถ้ายิงกระทบซากมันจึงหยุดมันได้สาเหตุก็มาจากที่ว่ากระสุนของฝ่ายพลานพื้นเมืองของผมและแจกไปให้คุณเชิดวุฒิด้วยนั้นคุณคําเป็นคนนำเข้าพิธีปลุกเสกทางไสยศาสตร์ไว้ก่อนแล้ว เพือเป็นการแก้กันเพราะฉะนั้นทันทีที่กระสุนอาคมกระทบซากของมันคลื่นของกระแสจิตอันเป็นอาคมเช่นเดียวกันก็หมดฤทธิ์เสริมสภาพลงเป็นการถูกทําลายไม่สามารถจะส่งกระแสจิตเข้าบังคับซากนั้นๆได้อีกแต่ถ้ายิงด้วยลูกปืนปกติธรรมดากระสุนก็จะทะลุผ่านไปเฉยๆหรือถ้ากระทบเข้าส่วนสําคัญซากก็จะถูกทําลายชํารุดขาดวิ่นไปหรือแหว่งไปอย่างเช่นที่ผมยิงซ้าหัวเข่าของมันแหลกไปเมื่อบ่ายวันนี้ ตามที่ทุกคนก็เห็นแล้วทําให้มันเดินไม่ได้แต่พออานาจกระแสะจิตเข้าสิงมันก็คลานมาได้อีกตัวหนึ่งคุณเชิดวุฒิวางระเบิดตายขาดครึ่งท่อนมันก็เอาร่างกายท่อนบนที่เหลืออยู่เป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนั่นแหละเลื้อยมาโดยที่ใช้มือยันตะกายลากตัวที่ขาดครึ่งซึ่งจะเป็นภาพที่น่าคนลุกขนพองสยองมากทั้งนี้เป็นเพราะลูกปืนของผมก็ดีและระเบิดของคุณเชิดวุฒิที่ทาําลายซ่าของมันก็ดี เป็นลูกปืนและระเบิดธรรมดาไม่ได้ปลุกเสกลงอาคมไว้พอคลื่นแห่งกระแสจิตด้วเราจะเรียกว่าเวทมนตร้ายเข้าสิงสั่งการซากที่ดูว่าชมรุดแล้วเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวได้ผมคิดว่าอธิบายได้มากที่สุดก็แค่นี้เองแหละครับแซนลี่คิดคริสตินาและอิซาเบลนิ่งอึง้งมองหน้ากันเองลอกแลกแล้วทาไมทาไมบุญคาถึงไม่ทาพิธีปลูกเสกกระสุนปืนให้พวกเรา พวกลูกหาบเช่นนั้นบ้างถ้ามันปราบกันได้จริงอิสเบลร้องขึ้นผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพิธีปลุกเสก ข, ของบุญคําจะได้ผลหรือไม่เพียงไรก็เพิ่งจะมาพิสูจน์ชัดกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละว่ามันได้ผลใช้การได้ขนาดลูกปืนของผมเองก็ยังไม่ได้ผ่านการปลุกเสกเลยเพราะหมดแต่คิดในแง่หลักความจริงที่เห็นได้ง่ายๆว่ะถ้าเราเอาลูกปืนธรรมดาทําลายซ่าของมันเสีย เป็นต้นว่ายิงให้กระโหลกพลาซี่หรือพอขาหลุดไปจากตัวมันก็จะหมดฤทธิ์ในวิธีหรือแนวความคิดของผมแบบนั้นเห็นจะไม่ได้ผลจะแล้วเพราะต่อให้หัวขาดหายไปมันก็อาจมาพบเราอีกได้โดยไม่มีหัวก็ได้อย่างไอสองตัวที่เข้ามาอรารวาดหลอกร้อนเมื่อคืนเป็นตัวอย่างต่อไปนี้เราเห็นจะต้องใช้อํานาจทางสายศาสตร์เข้าต่อต้านกับมันเสียแล้วครั้งแรกผมไม่กล้าพูดอะไรในเรื่องนี้เลยเกรงพวกคุณจะเห็นเป็นเรื่องโง่เง่า เขาไร้สาระแต่นี่พวกคุณก็จะเห็นเองแกตาทุกสิ่งทุกอย่างแหละผมยิ่งยิ่งอมพนัพวกคุณก็จะยิ่งไม่เข้าใจและว้าวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นผมยอมเสี่ยงบอกความจริงเท่าที่ฝ่ายผมศึกษาเรียนรู้มาดีกว่ามันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งแยกทางกันไปจากวิทยาศาสตร์พวกคุณไม่จช่เป็นจะต้องเสียเวลาศึกษาให้รู้แก่นของมันขอเพียงแต่ยอมรับฟังเท่านั้นว่าบางแห่งบางพื้นที่มันมีอยู่จริงแต่ถ้า ทางด้านผมขอร้องแนะนําอะไรออกไปก็ให้ปฏิบัติตามเท่านั้นอย่าดูแครนหัวเราะเยาะรู้เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวหลายตกลงไหมครับถ้าพวกคุณตกลงพร้อมที่จะรับฟังปฏิบัติตามข้อแนะนําได้ผมก็จะสบายใจมากกว่านี้ขึ้นอีกมากและรับรองได้ว่าเรามีทางที่จะผ่านสิ่งดีรับซึ่งสาแดงตนเป็นพิษเป็นภัยแก่เราในขณะนี้ไปได้แน่นอนคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเป็นตัวแทน เดนแชทของฝ่ายวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คอแข็งกันไปหมดระพิน์เองก็นิ่งเหมือนกันเข้าสำรวจสีหน้าของแต่ละคนยกเว้นเชิดบุตผู้ซึ่งเข้าใจอะไรดีอยู่แล้วนายทหารหนุ่มพึ่งพูดออกมาว่ายากมากนะรพินจะทําให้ผู้เจริญขีดสุดแล้วในโลกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเหล่านี้ร้อยตามเชื่อได้พวกเขามีแต่คําถามว่าทําไมทําไมอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอมีคําตอบคําอธิบายอยู่แล้วก็ฟังไม่ได้ ไม่ต้องดูอะไรมากพวกเขาไปพบคุณหล่นไปค้างอยู่กลางเหวแล้วยังหายใจอยู่ได้เพียงแค่สลบไม่ตายไม่มีบาดแผลอะไรมากไปกว่ารอยพกช้ำดําเขียวพวกเขาก็ได้จะถามกันเองว่ามันเป็นไปได้อย่างไงความจริงร่างกายคุณควรจะแหลกเหลวไปแล้วเพราะตกลงไปกระทบละไปกับหินลึกมากรันเอาตัวกลับมาถึงแคมป์ได้แล้วคุณคําก็ไปเอาไปไม้อะไรมาคั้นเอาน้ําผสมเหล้ากลองให้คุณกินโดยไม่ยอมให้ ฉีดยาหรือปฏิบัติการทางแพทย์ช่วยหลือคุณอย่างได้ก่อนเขาก็มองเห็นพวกนี้ว่าเป็นพวกปลาเถื่อนพ่อมดหมอผีแต่แล้วในที่สุดคุณก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตลายพิษ ช, ช้ำให้ลอดตายมาได้เขาก็งงกันไปอีกถามกันหน้าตาบ้องแววว่ะมันเป็นไปได้อย่างไรทายสุดเข็มฉีดยาที่เขาพยายามจะจิ้มเข้าไปในเนื้อคุณโดยที่คุณยังไม่อนุ ญ, ญาตให้เขาฉีดปรากฏว่าเข็มงอเข็มหัก เขก็ได้แต่บ่นว่ามันแปลกเท่านั้นผมว่าวิธีที่จะทําให้พวกเขายอมรับฟังทฤษฎีของคุณได้คุณก็ควรจะทําอะไรสักอย่างคือว่าคุณก็ควรจะทําอะไรสักอย่างดีกว่าให้เห็นกันซึ่งง่ายอย่างนี้แหละวิธีที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรสักอย่างสิ่งที่เราพบเห็นมากับตาแล้วเรายินดีจะเชื่อคุณเองแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะไรไปบ้างและมีคําถามว่าทําไมคุณก็ช่วยอธิบายให้เราพอรู้บ้างเท่านั้น ส่วนเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนในเรื่องนี้ดรแสนลีลลี่บอกโดยเร็วก็ได้ครับผมจะพยายามอธิบายเมื่อถูกตั้งคำถามคุณจะโดนคำถามที่เรายังคล่องใจอยู่เยอะทีเดียวนะไพรวันเรลพูดมาอย่างเอาจริงเอาจังเป็นครั้งแรกเอาให้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าและเกี่ยวกับความเป็นความตายของพวกเราในขณะนี้เถอะครับ ก็ตามปกติแล้วผมไม่ชอบจ็ดตอบคำถามใดที่นอกเรื่องเกินความจําเป็นเอาเรื่องง่ายๆเฉพาะหน้านี่แหละทำไมฉันถึงจิ้มเข็มฉีดยาไม่ระคายผิวคุณเลยเมื่อคุณยังไม่รู้สึกตัวหรือยอมอนุญาตให้เสือกปลายเข็มเข้าไปได้ก็เป็นปัญหาเดียวกันนั่นแหละกับข้อสงสัยของพวกคุณที่ว่าทำไมผมตกเข็วกระทบแง่หินทาไมถึงไม่มีบาดแผล ร, รอยแตกหักเ ล, เลือดออกคาตอบง่ายๆก็คือ ผมมีภูมิคุ้มกันผิวหนังร่างกายไว้ให้คงทนเหนียวแน่นเป็นพิเศษเกิดจากอิทธิพลของว่านบางชนิดที่อาบกินอยู่เป็นประจำและขาถาอาคมทางไสยศาสตร์เข้าควบคุมไว้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผมหรอกพวกคุณทุกคนหรือใครก็ได้ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างผมมันก็เกิดผลแบบเดียวกันภูมคุมค้มกันที่ว่านี้ผมหมายถึงว่าของมีคมทุกชนิด จะไม่สามารถทําให้ผิวหนังเป็นเปิดแยกออกไปได้แล้วก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันในกรณีที่ว่าถ้าไปเจอเอาของมีคมประเภทที่เจ้าของเขามีวิชาที่เหนือกว่าแก้กันตกเมื่อนั้นผิวหนังของผมก็เปื่อยยุ่ยไปทันทีเหมือนกันถ้าพวกคุณเรียนรู้กันมาบ้างในศาสตร์ชนิดนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งลีล้ลับหรือจะทําให้ผู้มีการศึกษาร่ําเรียนมาวิเศษเหนือไปกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปหรอก ชีวิตผมอยู่ในป่าเสี่ยงอันตรายมากผมก็จำเป็นจะต้องศึกษาร่ำเรียนไว้ไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่เหลือรอดชีวิตมาจนกระทั่งพวกคุณมาจ้างให้นำทางครั้งนี้หรอกตายไปเสีย ต, ตั้งพันครั้งแล้วเข็มฉีดยาของคุณนะ่ะมันอันเล็กจิ๋วเกินไปเขาชี้ไปที่มีดแรล่เนื้อขนาดย่อมที่เสียบอยู่ในขากางเกงเดินป่าของเบลแล้วถามว่า มีดของคุณเล่มนั้นคมแค่ไหนเบลทำหน้าตื่นอย่าจะทำเป็นเล่นนั้นนี่กับจะเป็นมีดพาตัดทีเดียวถ้าคุณไม่มีมีดโกนมาด้วยจะเอามีดในถางหนวดคุณก็ยังไหวดึงออกมาหมอเบลแล้วก็เชือนที่แขนผมนี่ไม่ต้องเกรงใจมีกำลังเท่าไหร่ออกแรงเชื้อให้หมดบ้าแล้วละพินคริสร้องเอ็ดขึ้นจองพรานยิ้มครืมครมผมไม่บ้าหรอกคริสผมท้าให้หมอเบลเชืออเนื้อผมออก มีดคมผมไม่กลัวกลัวแต่จะคมไม่พอเท่านั้นเพราะถ้าไม่คมแล้วมันแสบผิวเปล่าๆ เ, เบลกระพริบตาปริบๆชักมีดออกมาจากปลอกแล้วเอานิ้วลูบทดลองคมประพินยื่นแขนไปตรงหน้าบอกเรียบๆว่าถ้ากลัวว่าจะต้องลําบากมาเย็บแผลให้ผมภายหลังก็ค่อยๆกรีดเบาๆก่อนก็ได้และถ้าเบาแล้วมันยังไม่เข้าก็ให้ค่อยๆเฉือนแรงขึ้นตามลําดับจนหมดแรงของคุณนั่นแหละ พอถึงกระดูกน่สีแม่ผมแดงบอกออยๆถือมีดแล่เนื้อเฉยคีตเป็นคนจริงคนหนึ่งประกอบกับทำหามอยู่ด้วยและตัวเองก็สงสัยอยู่เต็มที่เหมือนกันจึงพรวดเข้ามาทันทีช่วยมีดจากมือของแม่ผมแดงให้ผมลองก็ได้ไม่ใช่หรือรับทินใครก็ได้ทั้งนั้นในบรรดาพวกคุณลานใหญ่บอกที่ทดลองเอานิ้วรูปผมมีดดูก่อนแล้วแต่ปลายแหลมลงกับขอบของแผ่นพืนพลาสติกที่ปูอยู่กรีดเ บ, บาๆปรากฏว่าพลาสติกตำแหน่งนั้น เป็นทางขาดราวกับกรี ด, ด้วยใบมีดโกนในผมทรงรานบินจ้องหน้าเขาแน่ใจนะรพินตามถนัดเลยที่คุณจะได้รู้จักผมหรือคนไทยดีเสียทีลาลี่คีดคว้าแขนรพินไปจับไว้ได้วยมือข้างหนึ่งข้างหนึ่งถือมีจดจุดปลายแหลมลงกับบริเวณท้องแขนของเขาแล้วกรีดในลักษณะกระชากเบาๆด้วยกะว่าถ้ามันเกิดเข้าแผลก็จะไม่ถึกลึกหรือยาวเกินไปนะปรากฏเสียงดังวืด มันเกิดจากคมเหล็กแหลมบางกรีดขวนกับผิวทั้งหมดเบิกตาจ้องตะลึงมองอยู่ก่อนแล้วเห็นเพียงเป็นรอยขีดขาวๆบนผิวหนังของกระพินเท่านั้นคราวนี้กรีดแรงขึ้นอีกขีดดัน แ, แรงขึ้นเป็นลําดับจนกระทั่งในที่สุดถ้ากรีดแล้วมันยังไม่เข้าอีกฉเฉือนเลยเอาให้สุดแรงที่คุณมีอยู่จอมกักคุเทศพยักหน้าเตือนมาอีกใช้มือรูปตรงบริเวณท้องแขของเขาอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งนั่งนิ่งสะกดกั้นลมหายใจคีดทําหน้าพิกลเริ่มจดมีดแล้วกระชากอีกครั้ง คราวนี้จังควากผลเหมือนเดิมคือเป็นเพียงทางขีดสีขาวเท่านั้นยังอเมริกันคนอื่นๆครั้งหึมในลำคอนายคิดไม่ฟังเสียงแล้วจอมีดทางคมลงกับท้องแขนเขาได้ก็แยกเขี้ยวถือเชือดลงไปชนิดหัวสั่นหัวครอนเลยสภาพของคมมีดกับผิวเนื้อมีลักษณะเหมือนเอ า, าไม้บรรทัดทื่ๆลวยกับยางรถยนต์ผิวเนื้อบริเวณนั้นเห็นชัดว่าย่นลู่ไปมาตามแนวการเฉือน้วยนั้น แต่จะแทะผิวเข้าไปถึงเนื้อก็หาไม่คลีชเชื่อเฉือนอยู่อุดใจก็ยกมือขึ้นอาปากค้างมองหน้าระพินแล้วหงายหลังแผะลงนั่งจำเบ้าหน้าเหลือสองนิ้วพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าหวนคิดย้อนไปถึงว่าตนเองเคยประทา่าประลองกำลังฟาดปากกับระพินในวันนั้นแล้วก็ยิ่งใจหายคนอย่างเขา จะไปคดนาอะไรกับชายทายร่างเล็กคนนี้ได้เมื่อหนังบางสาเหมือนไม่ใช่มนุษย์ขืนฟาดฟันกันจริงๆต่อให้เขาตัวใหญ่กว่าชนิดเกือบบางมิดเขาก็คงผนไปเท่านั้นสงสัยไหมครับว่าผมจะเล่นกลทําให้มีดมันเกิดเท้าขึ้นมาในขณะที่จดลงกับผิวหนังของผมถ้าสงสัยอย่างนั้นก็ลองเอามีดเล่มเดียวกันนั่นแหละกรีดเนื้อคุณเองดูบ้างแล้วดูซิว่าเลือดกระฉูดออกมาไหมพระพินไพรวันบอกพร้อมกับยิ้มขุ่ม ครีดครางออกมาในภาษาของตนแปลเป็นไทยก็คงจะทำนองว่าชิบหายกูกลัวใจไอ้สือนี่จริงๆนี่มันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา น, นี่ว่ามีอะไรพิลึกพิลึกพอๆกับไอ้พวกผพดิดพวกนั้นแหละเชิดวุธยิ้มร่าออกมาอย่างพอใจตามองจับอยู่ที่พรานใหญ่อย่างนับถือเต็มเปี่ยมสเตนลีย์เขาหน้าพิศวงสุดขีดปรีตาลงส่วนคริสติน่ากับอิซาเบลกระเดือกน้าลายลงฝุด ไหนส่งแขนของคุณมาให้ฉันตรวจดูหน่อยสิหมอเบลบอกเสียงสัน่นจงพรานยื่นแขนข้างนั้นไปให้โดยดีหล่อนใช้มือลูบคลํำผิวหนังบริเวณท้องแขนนั้นอย่างพิจารณาแล้วทดลองทีบหยิบหนังตอนนั้นขึ้นมาพึพรรมพำกับทุกคนว่าลักษณะผิวหนังของเขาขณะนี้ไม่ใช่สภาพผิวหนังของคนทั่ ว, วไปเลยดูมันลื่นผิดปกติไปมากและแยกต่างห่างออกไปจากเนื้อภายใน หนาขึ้นมากหรือเกินนี่น่าล่ะคมมีดหรือเข็มฉีดยาถึงทิ่งไม่เข้ายังไม่ทันขาดเสียงหล่อนก็กาแขนเขาไว้จุ้มแทงฉึกลงไปทันทีบนท้องแขนนั้นมีดกระเด้งขึ้นมาผิวมีรอยบุมลุกลงไปแต่ชั่วไม่ถึงหดใจก็ต้นขึ้นมาตามเดิมเพียงการขยรี้แรงๆของระพินพวกคุณทุกคนเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ใช้ของมีคมทําอันตรายผมไม่ได้เขาพูดแต่ความอัศจรรย์ที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งในร้อย ของมนูดกาลีที่พวกเราทั้งหมดกําลังเผชิญกันอยู่จากศัตรูเรื่องหนังเหนียวเพียงแค่นี้อย่าว่าแต่ผมเลยเด็กของผมไม่ว่าจะเป็นบุญคําหรือจันท์ก็สามารถจะทําให้พวกคุณดูได้ทั้งนั้นอย่างที่บอกแล้วมันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้และเป็นเพียงแค่ศาสตร์เบื้องต้นของวิชาการชนิดนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกคุณคงหมดสงสัยไปแล้วว่าเหตุใดผมจึงไม่แตกไม่มีรอยฉีกขาดของผิวเนื้อ เมื่อหล่นลงไปกระทบกับแง่หินในเหวเพราะผมมีสารชนิดนี้แหละกุ้มครองป้องกันตัวอยู่โดยฉเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ตัวว่ากําลังเผชิญหน้ากับอันตรายที่จะจู่โจมมาถึงเมื่อไหรก็ได้สแตลลี่เอานิ้วเคาะกระโหลกตัวเองพร้อมกับสันหน้าอยู่ดิกๆพระเจ้าเกิดมาก็เพิ่งจะเห็นอะไรพิสดารไม่น่าเชื่อในการเดินทางครั้งนี้แหละเราพินและเวลาที่คุณยอมให้เบลจิตยาคุณทํายังไงในเมื่อหนังคุณเหนียว อ, อยู่อย่างนี้ เมื่อผมต้องการจะให้ผิวหนังของผมมีลักษณะปกติเหมือนคนทั่วไปผมก็ใช้คาถาเวทมนต์แก้ออกเสียมันเป็นอำนาจทางกระแสจิตนั่นแหละเมื่อทําให้หนังคงทนเหนียวแน่นเป็นพิเศษได้ก็สามารถแก้คลายมันออกได้เหมือนกันตามหลักของตักปราศาสตร์ที่ว่าเมื่อสร้างได้ก็ต้องทําลายได้ผูกได้ก็ต้องแก้ได้บางคนเรียนแต่ผูกไม่ได้เรียนแก้และบางคนก็เรียนแต่แก้ไม่ได้เรียนผูกซึ่งต้องถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบ แน่จริงต้องทําได้ทั้งสองอย่างกล่าวจบพระพิมพ์ขอมีดเล่มนั้นไปจากเร็วอีกครั้งถือไว้ในมือของตนสะกดใจนิ่งไปโชคพวรู่แล้วเอาปลายมีดจดลงกับผิวหนังส ก, กิดเบาๆที่สุดรอยเลือดเหมือนยางบอนก็ซึมออกมาทันทีตามรอยที่ผิวหนังขาดเขาส่งไปให้พวกนั้นดูนี่ยังไงครับมีดกินหนังของผมเข้าไปได้แล้วเมื่อผมปรับสภาพของผิวหนังเสื้อใหม่และถ้ายังอยู่ในภาวะเช่นนี้หากเฉินอย่าง เคยนินคิดเฉือนผมตะกี้นี้ก็รับรองถึงกระดูกแน่เชิดวุฒร้รองถามคิดมาบนหวเราะว่าว่ายังไงคิดผลัดกันเอามีดเฉือนเนื้อกับประพินคนละทีเป็นยังไงฉันต่อให้ในายเฉือเขาก่อนห้าครั้งแต่ให้เขาเฉือนายครั้งเดียวเท่านั้นนายพันเอกแห่ง U.S.Army ร้องอะไรลั่นออกมารีบแสั่นหัวโดยเร็วพูดประบาวุฒคื้รองกับประพินยอย่างนั้นฉันก็พังสิเว้ยแล้วคราวนี้รู้สึกตัวได้ ย, ยังเราว่าวันนั้นที่นายทะลึ่งต่อยกับระพินน่ะ นายโง่ oh, หมาไม่แดกเลยดี D, ที่เขาไม่เอานายตายหาเชอรูธได้ทีขู่สำทับและคิดว่าเป็นการดีที่สุดแล้วที่จอมพรางสำแดงเบสให้อเมริกันกลุ่มนี้ได้รู้จักท่าแท้เสียทีมันเป็นการสร้างศรัทธาและตะบะในตัวเองป้องกันไม่ให้มีการคิดที่จะหักหลังเลนไม่ซื่อภายหลังถามที่จิงโทรพินคริสติน่าพูดอ่อยๆลูกตูนทาอะไรคุณได้ไมน่นี่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สิคริส รัพเพงญก็รู้สึกตัวเหมือนกันว่ามันถึงวาระแล้วที่เขาจะต้องเล่นสงครามจิตวิทยากับนายจ้างกลุ่มนี้แม้ว่าในปัจจุบันจะดูว่าสนิทสนมรักใคร่หน้าไว้วางใจสักเพียงไรก็ตามเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในคราวหน้าผมจะลุกขึ้นเดินจากที่เรานั่งอยู่นี่แค่ส9บเก้าแล้วหันกลับมาแอนอกให้คุณยิงด้วยปืนพกที่ติดตัวคุณอยู่นั่นแหละถ้าปากกระบอกศูนย์ปืนคุณตรงตัวผมเมื่อไหร่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 ลองกันด้วยมีดเมื่อกี้นี้พลาดครั้งยังไงก็ยังรักษาแผลกันได้แต่ถ้าลองด้วยลูกปืนถ้าพลาดเราไม่ต้องการได้ชื่อว่าฆ่าคุณโดยร้เหตุผลที่สุดและคุณก็ไม่ต้องมาสำแดงเดดลองด้วยตัวคุณเองให้พวกเราดูหรอกเป็นอันว่าเราเชื่อกันแล้วกันเอหน้าคิดฮะทําไมไม่ปล่อยให้เราเพ่งเขาทดลองให้เราดูฉันอยากเห็นเหลือเกินกําลังของลูกปืนมันแรงกว่ากําลังของมีดคมคมที่เราจะเฉือนลงไปมากถ้าลูกปืนยังเล่น ง, งานเขาไม่ได้คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนแล้ว แต่ซูเปอร์แมนลาริคิดผู้หัวรันและอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกอย่างลุ้น ม, มาเชอร์วูดเองประจ้งเขม็งมาที่รพินด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากไม่เห็นว่าด็ตอร์สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะจะกล่าวทักท้วงเช่นไรเพียงแต่มองมาอย่างสนใจเต็มที่ระพินรอบขยีบตาให้กับนายฐานหนุ่มลวดไทยเดียวกันกันกบเขาเชิงไม่ให้เอะอะใดใทั้งสิ้นและขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาเองเอางี้ก็แล้วกันครับ ผมจะทดลองให้ทุกท่านดูเกี่ยวกับเรื่องปืนโดยไม่ต้องเอาชีวิตของผมเข้าไปเสี่ยงวิธีทดลองของผมก็คือลูกปืนหรือปืนกระบอกไหนก็ตามถ้าผมใช้อำนาจจิตบังคับไม่ให้มันลั่นมันก็จะด้านยิงไม่ออกแล้วถ้าผมสั่งให้มันออกมันก็จะตูมขึ้นทันทีวิธีนี้ทดลองไม่จำเป็นว่าจะต้องยิงมาที่ผมให้เกิดความหวาดเสียก็ได้ขอเชิญทุกท่านเดินตามผมมาที่นี่กล่าวจบพลานใหญ่ก็ลุกขึ้นเดินอย่างเพล่เพเพราะยังไม่แข็งแรงดีนะ ปลายหน้าตรงไปยังขดหินก้อนใหญ่ริมทางด่านที่เขานอนอยู่เมื่อคืนนี้ทันทีทุกคนเดินตามไปเป็นพรวนอย่างไม่เข้าใจอะไรนะักพวกพารานพื้นเมืองและลูกหาบเห็นการเคลื่อนไหวของคณะนั้นก็หยุดชะ ง, งักงานร้องถามมาระพินก็ตะโกนตอบว่าจะลองตูนหน่อยทุกคนทํางานตามปกติกินข้าวกันให้เสร็จก่อนตะวันตกดินคืนนี้เราจะย้ายขึ้นไปนอนบนหน้าผาโนอนทั้งหมดทิ้งแคมป์ไว้พวกมันรู้เรื่องไม่สนใจอะไรอีก คงหันไปทำงานกันต่ออย่างแข่งกับเวลาเกี่ยวกับการหงหาและแร่เนื้อช้างคงมีแต่บุญคำจันเกิดและเสยสีคนเท่านั้นที่คว้าปืนรีบตรงเข้ามาสมทบด้วยจอมพรานนำคนทั้งหมู่ที่ตามมาด้วยความสนใจยิ่งยวดมายังโขดหินอันเป็นตำแหน่งสถิตของเหล็กไหลต้นเหตุที่ทำให้กระสุนของเขาทั้งสองนัดด้านใช้มือแตะสัมผัสกับภูเขาหินที่โผลง่งขึ้นมาจากใต้พื้นดินนั้นรู้สึกว่าเย็นเฉียบแสดงว่าเหล็กไหล คงจะยังสถิตอยู่ที่นั่นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเพราะเพื่อจะให้แน่ใจเขาแอบบขอกลักไม่ขีดจากจันทรมาได้กลักหนึ่งวางทิ้งไว้บนโขดหินนั้นพูดคุยกันกับกลุ่มนายจ้างทงเวลาอีกหนึ่งนาทีแล้วคว้าไม่ขีดกลักนั้นขึ้นมาทําเป็นจะจุดบุหรี่และขีดไม่ขีดขึ้นปรากฏว่าหัวไม่ขีดตัว ย, ยุ่ยเหมือนแช่น้ําไว้ไม่สามารถทําปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสดิน ก, กลักได้ พิสูจน์ได้ชัดว่ากระแสะเหล็กไหล ย, ยังรวมตัวกันอยู่ที่โขดหินอันเป็นเวิ้งถ้ำใต้ดินตำแหน่งแน่นอนการกระทำของเขาไม่มีใครทันสังเกตเห็นได้เอาละเคอร์แนนคิดคุณเลือกเอาได้จะเอาปืนกระบอกไหนกระสุนของใครเสร็จแล้วถือพร้อมในมือและบอกผมด้วยคิดถือไรเฟิลจุดสีห้าแปดอยู่แต่คงจะเนื่องจากเสดายกระสุนที่มีอยู่จากัดไม่มากนักจึงยืมตูลพกสั้นของคริสมาถือไว เปิด โ, โม่ออกตรวจดูกระสุนแบบหัวเจาะเกราะที่เจ้าของบรรจุไว้ครบเต็มโม่หกนัดแต่และลูกใหม่เอี่ยมทั้งสิน้นโอเคปืนกระบอกนี้เรียบร้อยจะเอาอยัางไงส่องที่ตัวคุณแล้วเหนีย่ยวไกลหรือบ้าคิดคุณจะฆ่าเขาเงี้ยนะคริสร้องแหลมแล้วสะบดด่าเพื่อนชายแฟร์แล้วพินยิ้มเมื่อทุกคนไม่อยากวาเสียเพราะกลัวว่าผมจะตายคุณก็ไม่ต้องยิงมาที่ผมหรอกยิงขึ้นฟ้าก็ได้แล้วดูซิว่ามันจะลั่นไหมผมกําหนดไว้แล้ว ว่ากระสุนทั้งหกนัดจะไม่ลั่นขึ้นได้เลยคุณพร้อมแลหรือยังถ้าพร้อมก็ยิงได้เลยคิตเปิดโม่เข้ากรอบปืนชูปากระบอกขึ้นฟ้าบอกว่าผมพร้อมแล้วเหนียวแล้วนะเอาเลยซัดให้หมดทั้งโม่นั่นแหละในคิตเหนียวไกลดับเบลิลให้นกน้ำขึ้นเองช้าๆและสับลงไปแชฉนัดที่หนึ่งนายนั่นยืนตัวแข็งทื่อมีอาการเหมือนจะช็อกอุทานออกมาว่าเฮ hey ีเหนียวต่อไปคิต เขาเตือนมาปนหัวเราะแชะเป็นนัดที่สองในคีตาเลือกรีบคืนปืนยัดเยื่ส่งให้คริสติน่าทันทีร้องลั่นไม่เอาแล้วโว้ยฉันไม่ยิงแล้วมันไม่ออกจริงๆเกิดอะไรขึ้นนี่ระดับสูบรรจุอยู่หกนัดแต่คุณสับไกลไปเพียงแค่สองนะัดเท่านั้นยังเหลืออีกตั้งสี่ถ้าคุณไม่ยิงจะให้คนอื่นยิงก็ได้เขาบอกอย่างปกติธรรมดาที่สุดคริสติน่าเบลและดอร์สแตนลีย์เม้มริมฝี ป, ปาก และทันทีนั้นเจ้าของปืนเองก็ก้าวเข้ามาเอาละอีกสี่นัดฉันจะยิงเองโดยยิงขึ้นฟ้าเหมือนคิดหรือนะัดสุดท้ายเอาไว้สองมาทางหน้าอกผมก็ได้คริสท้พพิงบอกมาอย่างสับพยอกสุบุรีอย่างสบายใจคริสส่องปากกระบอกขึ้นสูงเช่นเดียวกับเพื่อนชายการยิงของหล่อนใช้วิธีง้าลงลูกขึ้นก่อนแล้วสับไกลลงไปท่า ม, ามกลางความตกตะลึงของทุกคนแม้แต่เชิดวุดเอง นัดสามด้านนัดสี่ด้านและนัดห้าหกก็ให้ผลเช่นเดียวกันคือมีเสียงเข็มแทงชนวนสับลงไปกระทุ้บใจแกลบดังแชะเท่านั้นเปิดหมอออกตรวจดูกระสุนทุกนัดดูซิว่ามีรอยเจาะของเข็มแทงชนวนไหมเขาบอกกับทุกคนมาคริสตัลิตะเหลือกดสลักผลักมอออกมาทันทีทุกคนเข้าไปรุมดูนอกจากกระพินแล้วพลางกระหึม่มเป็นเสียงเดียวกัน การแก๊ปท้ายลูกกระสุนจุดสเจทุกนัดมีรอยเจาะของเข็มกระแทกเข้าไปลึกขนาดพอทีจ่จะจุดชนวนระเบิดได้ทั้งสิ้นถ้าหากไม่ใช่เพราะกระสุนมันเกิดด้านหรือมีการเล่นกลโดยใครเอาแก๊ปหรือดินปืนออกเสียก่อนเป็นยังไงเข็มแทงชนวนทํางานตามหน้าที่ของมันอย่างสูอสัตว์ใช่ไหมพระพินร้องถามมาพระพินไม่ผมไม่รู้จะพูดอะไรได้ถูกแล้วคุณทําได้ยังไงหัวหน้าคณะปืนน้ํำลายลงคอฝืด เประเดี๋ยวจะหาว่าผมแอบสับเปลี่ยนกระสุนโดยเอากระสุนที่ไม่มีสมรรถภาพที่จะยิงได้แล้วใส่ลงไปในปืนทั้งๆทงี่ผมก็ไม่ได้ไปแตะต้องปืนกระบอกนั้นเลยคราวนี้ทดลองใหม่คริสสันแหละเป็นผู้ยิงอีกครั้งโดยใช้กระสุนชุดเดิมที่ดูเหมือนด้านไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนชุดใหม่หรอกโดยปฏิบัติตามคําสั่งของผมว่าไงพร้อมหรือยังหล่อนหน้าซีดเพราะความตกใจหรือที่จะกล่าวพยักหน้าบอกเกือบไม่เป็นเสียงว่าพร้อม ก้าวจากตำแหน่งที่คุณหยุดยืนอยู่นี่ออกไปนับไปด้วยสิบห้าก้าโดยก้าวยาวๆแม่ผมทองปฏิบัติตามคำสั่งเขาทันทีโดยก้าวเป็นเส้นตรงห่างจาก พ, พวกที่ยืนอยู่ใกล้โขดหินเข้าไปในแนวป่าสิบห้าก้าและหยุดหันหน้ากลับมาคุณไหวยอย่างคนไทยเป็นไหมเขาถามปนหัวเราะหล่อนวางสีหน้าไม่ถูกแต่ก็พยักหน้ารับเป็นดีแล้วก่อนยิง เอาปืนกระบอกนั้นจบไว้ในมือพนมของคุณยกขึ้นเหนือศีรษะเอาปืนไหว้ผมียก่อนคริสติน่าประคองปืนกระบอกนั้นไว้ในมือที่พนมและยกไหวมาทางเขาตามคำสั่งพูดช้าๆปริญานตนเป็นภาษาไทยตามที่ผมจะบอกให้จะให้ปริญานตนว่ายัางไงบอกมาข้าในฐานะตัวแทนของนายจ้างอเมริกันทุกคน ขอปฏิญาณสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าเทพยาดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายว่าเขาพูดช้าๆเป็นห้วงๆให้แม่ผมทองพูดตามตลอดเวลาปั้นหน้าครึ้แต่ซ่อนยิ้มขบขันไว้ภายในอย่างมิคิดหลอนกล่าวตามพวกของข้าที่เดินทางมาในวัตถุประสงค์สำคัญในครั้งนี้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อคณะลูกจ้างที่นาทางมาในครั้งนี้ทุกคนจะไม่คิด ทรยศ์หักหลังหรือมีแผนการชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่างานของพวกข้าพเจ้าจะสําเร็จหรือไม่ความเงียบเกิดขึ้นในบัดนั้นก็ได้ยินแต่เสียงของคริสที่กล่าวตามคํากล่าวนําของเขาเท่านั้นถ้าหากว่าพวกข้าพเจ้ามีหัวใจอันไม่สุจริตกขอให้ปืนที่ข้าจะยิงนี้จงลำกล้องระเบิดขึ้นและตัวข้าผู้ญิงก็ได้รับอันตรายจากอํานาจระเบิดของปืนนี้แต่ถ้าหากจิตใจของพวกข้าทุกคนสุจริต สมดังเช่นคําปฏิญญาณพวกขอให้กระสุนที่ปรากฏว่าด้านแล้วนี้จงระเบิดขึ้นฟ้าทุกนัดไปคริสกล่าวตามคําของเขาจนจบข้อความซัดได้เลยคริสประเดี๋ยวก็รู้เองว่าปืนจะด้านจะระเบิดโดยไม่แหกใส่หน้าตาคุณหรือว่ากระสุนจะผ่านลํากล้องขึ้นฟ้าได้เป็นปกติคริสนั้นตามปกติเป็นนักยิงปืนผู้ชํานาญอยู่แล้วแต่ในขณะนี้ดูหอ น, หน่าสงสารที่สุด เหยียดแขนข้างที่ชูปืนขึ้นเหนือศีรษะสุดแขนแล้วหลับหูบหลับตาเนียวไกลลงไปทันที